จเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามในเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติทานศีลภาวนาวันนี้ก็จะเริ่มที่บุคคลแรกก็คือคุณหมอพิเช่เชิญคุณหมอพิเช่กลัาวธรมสการ์พระอาจารย์ครับ ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายความสุขของผู้สิ้นกิเลสครับอาจารย์ก็เป็นความสุขแบบมันไม่มีเปลี่ยนแปลงนะเป็นความสุขตลอดเวลายี่บสี่ทั้งมันนั่นมันเป็นความสุขที่ถองจิตใจนะแต่ความสุขความทุกข์ทางร่างกายมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม ร่างกายก็ยังเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เป็นไข้อะไรของมันไปส่วนนี้มันมันเป็นเรื่องของร่างกายของขันความสุขที่ปราศจากกิเลสนี้มันเป็นความสุขของใจไม่ธาตุรู้ความตามทุกข์กที่เกิดจากกิเลสตัาหาความอยากต่างๆไม่มีในใจเป็นความเครียด ความวิตกความกนนังวลความหงอยใ่ความหวาดกลัวความฟุง้งซ่านความอะไรต่างๆเหล่นี้ยมันจะไม่มีแต่เรื่องของสุขทุกข์ทางร่างกายมันยังมีเวลาหิวข้าวก็ทุกเวลากินข้าวอิ่มก็สุขเวลาไม่หิวไม่ไม่หิวไม่อิ่มมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์ เป็นการกางอันนี้เป็นเหมือนเดิมขันของพระพุทธเจ้าของพระสาวกับของปุถุชนอย่างพวกเรานี่เหมือนกันมีเวทนาเหมือนกันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันเวทนาก็ยังมีสุขมีทุกข์แล้วแต่ที่ไปสัมผัสกับอะไรมาไปสัมการคำลูกเสียงก่งด้วย มันที่เป็นเป็นที่มันไม่มันไม่มันไม่มันเป็นเช่นมันมันเป็นพิษเป็นภัยมันก็ทุกเช่นไปเห็นแสงจ้าๆนี่มันก็แสบตาได้ได้ยินเสียงดังๆหรืออะไรนก็ปวดหัวได้ปวดหูได้อาการเหล่านี้ที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้วไก่นี่ มันยังมีแบบทั้งสุข ท, ทั้งทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อยู่มนก็ขันของทุกคนเหมือนกันหมดขันของพระเจ้าอันของพระอรหันต์ของกุตุชนนี่เหมือนกันมีอากาศเกิดเกเจ็บตายเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกันแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือใจไม่ได้เป็นทุกข์กับ การแปลปวนต่างๆของเวทนาเวทนาจะสุกก็ไม่ได้ไปดีใจไม่ได้ไปอะไรเวทนามันทุกข์ก็ไม่ได้ไปเดือดร้อน <c oughs> ก็รับรู้มันไปเฉยๆรัรู้ว่าอตอนนี้เกิดเวทนาทุกข์ขึ้นมาเกิดทุกข์กัเวทนาขึ้นมาะตอนนี้เกิดสุขกัเวทนาขึ้นมาตอนนี้เกิดไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาขึ้นมาอถ้าแก้ได้ก็แก้ เช่นถ้าไปเจอทุกขเวทาานาเกิดจากการที่เราไปเดินหรือไปทำอะไรไปหยยบของแกลมคมเราก็หารองเท้าใส่เนี่ยมันก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของของขันของทางร่างกายแต่ทางจิตใจก็เฉยเฉยไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับเวทนาที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ส่วนสังขารความคิดปรุงแต่งก็จะตางกันก็จะไม่คิดไปในทางรูปเซ็ตคิดไม่คิดไปในทางความโลภความอยากต่างๆจะไม่ไม่คิดไปในทางเรื่องรักชังกลัวของจะคิดไปในทางอายรักอะไรอย่างเห็นอะไรก็ยังเป็นายรักอย่เหมือนเดิมเห็นทุกอย่างก็ไม่เที่ยงกัน ขึ้นตั้อยู่ระดับไปเป็นภาวะธรรมที่ไม่มีใครควบคุมบังคับได้มันเป็นมันเป็นมาของมันเป็นไปของมันตาเหตุตามปัจจัยอันนี้ใจก็จะคิดนเรื่องราวอย่างนี้จะ <c oughs> ไม่ได้คิดอยากเห็นบ้านสวยๆ อ, อยากจะได้บ้านเห็นรถสวยๆ อ, อยากจะได้รถอะไรจะไม่คิดเห็นก็เห็นใจเฉยๆไป อย่างธรรมะสามารถจะสร้างความสุขของผู้สิงเกลิดแบบนี้ได้ไหมหครับอาจารย์ก็อยู่ที่ว่าปฏิบัติได้ป่ะปฏิบัติสินสมาธิปัญญาได้ปล่ะรักษาศีนอย่างน้อยต้องศิลแปดขึ้นไปแล้วก็ไปอยู่คนเดียวได้ป่าอย่างคนเดียวปีไม่เว้ยแล้วก็ให้เวลากับการเจริญสตินั่งสมาธิ จึงสามารถรวมจิตเึ็นหนึ่งเป็นเอกขตารวมเป็นอุเบกขาหลังจากนั้นก็ออกจากสมาธิมาก็ได้ปัญญาปคอยสอนใจเพื่อย่อยตำลาคอยกับจัดกิเลสตัณหาต่างๆที่ยังโผล่ขึ้นมาอยู่ถ้ากำจัดมันได้หมดมันก็มันก็เป็นได้มันไม่ได้อยู่ที่เท่หที่วายมันอยู่ที่การปฏิบัติ ไม่เลือกภายแค่เจ็บไม่เลกเพศเลือกไปไม่ใช่โควิดมันด้นเรียกว่าคนนี้เป็นกูหญิงนี่ยไม่อะไรมันก็ติดกันหมดแต่ว่าคนติดมีภูมิสู้กับมันได้หรือเปล่าคนที่หนุ่มสาวก็ม่ภูมิต้านทานดีกว่าอคนสูงอายุสูงอายุก็เลยน้อยแยบแพ้โควิดกันปกสูงแปอะไรนี้่ไหม ตรงนี้เขาพูดต้านทานเชื่อโรคมันน้อยกว่าแต่มันมันไม่เลือกอ่ะการปฏิบัติที่เลนมันก็มีด้วยกันเท่าก่อนแล้วก็ยาที่จะใช้รักษามันก็บัญญาติชนิดเดียวกันไม่ว่าจะใช้กับหญิงกับชายกับพระหรือกับฆราวาสเวลาพระไปหาหมอหมอมียาเรียกก่อนว่าของพระเลยนี่ย เพราร่างกามนเดียวกันเหมือนเดียวเหมือนกันหมดใจก็เหมือนกันหมดใจของพระใจของคารว่านก็เหมือนกันที่สาเหตุที่มีพระเป็นพระอรหันต์กันมากกว่าญาตโยก็เพราะถ้าเขาเขามีเวลาปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับเข้าไปศึกษาตามมหาลัยอย่างเงี้ยญาติโยมนี้เหมือนกับศึกษาออนไลน์เนี้ยมันต่างกัน เน้นมากเรนศึกษาช่วงสาวาทิศวันหยุดเพราะวันอื่นต้องไปทํางานก็ไปศึกษาปฏิบัติไม่ได้นะแต่สําหรับที่พวกที่ไปศึกษาที่มหาลัยทุกวันเขาก็เรียนจบภายในสี่ปีเนาพะก็เหมือนการพักพระที่บวชจริงๆก็บวชเพื่อปฏิบัติเพื่อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเนีเมื่อปฏิบัติ พระเจาก็บอกว่าถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเะนั้นส่วนใหญ่ที่จะจิตใบสุดเบุกพ้นก็จะเป็นนักบวชกันแต่ก็มีบ้างบาวคารวะบางคนมันก็ขึ้นอยู่กับโอกาสหรือกับเหตุการณ์ภาวะอย่างพ่อพระเจ้าก็บรรลุตอนใกล้จะตายอนนั้นจนตัวแล้วจนตรอบแล้ว มีคนมาสอนวิธีสู้ให้ก็าสามารถที่จะเอาชนะกิเลสได้บางคนก็มีบางมีเก่ามีบุญเก่าติดตัวมาเข้าใจหลักของจิตใจแต่ยังไม่รู้วิธีกําจัดความทุกค่อยหมดไปมาเจอพระเจ้าพเจ้าบอกว่าก็าเห็นอะไรให้สักแต่ไปรู้สักแต่ได้ยินแต่ว่าเห็นอย่าไปเกย ความรับชาปโผล่หลงขับเองที่ไ่อย่าไปมีเกเรอนนี้พ <c oughs> ระหลุดคนได้ก็มีบางคนณนี่น <c oughs> มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นเป็นพระหรือเป็นคราวานยที่ว่าสามารถเจริญ ส, สมาธิสีนสมาธิปัญญาได้ครบ100ร้อยเปอเ็นหรอมถ้าได้ครบร้อยมันก็มันก็ บังบรรลุได้คาจัดวิเลตันหาได้เหมือนถ้ากินยาตามหมอสาวก็หายได้นะถ้าหมอสาวให้กินยาแต่คนไข้บางคนไม่ไม่ยามไม่ยอกกิ น, ไ ม, <c oughs> กนไม่กินบ้างไม่กินบ้างบางทีเลือมหรือบางทีอะไรไม่ได้ให้ความสำคัญของการกินยาโลกมันก็ไม่หายขาด <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกัน มันไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยมีว่าเป็นคาราวานหรือเป็นนังบวชอยู่ที่ว่าเป็นสุปฏิปันโนหรือไม่ปฏิบัติดีหรือไม่ปฏิบัติดีก็เหมือนนักเรียนที่เรียนดีนเรียนดีก็คือขยันใช่ไหมดูหนังสือทําการบ้านสอบได้คะแนน ด, ดีได้ได้เตี๋ยนิยมเนี่ยเขาเรียกว่าสุปฏิปันโนพักก็เหมือนกันผู้ปฏิบัติที่สุปฏิปันโนก็ปฏิบัติดี คือปฏิบัติเต็มร้อยไม่เอาไม่เถื่อนอไม่ละลาไม่ทาอะไรเรื่องราวอะไรต่างๆทุ่มเทให้กับการศึกษากับการปฏิบัติปฏิบัติศีลสมาที่ปัญญาปฏิบัติมโ น, โนปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคําสอนทุกประการไม่เลือกปฏิบัติว่าวิชานี้ไม่ชอบเรียนไม่ไม่ขอเรียนไม่ไม่เรียนข้ามไปเลยได้ไม่ ไม่ได้รางคนบอสมาธิมันไม่มียมันเข้ายากบ้างเลยขอไปวางปัญญาเลยได้ไหมไอ้นี้ก็ไม่มีวันที่จะทำหนึ่งได้เพราะขาดองค์ประกอบที่สําคัญทั้งแปดองค์นี้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญทุกองที่จะตละเลยไม่ได้นไ mm hmm. ม่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำยังไง เข้าใจมากขึ้นเลยครับอาจารย์โอเคนะข อ, ขอบคุับรับว่าคุณครับอาจารย์โอ okay, เคซาตุนี้ไปที่คุณซาธกาชยายนาตาซาตะกาพระพัชรันปฏิบัติทุกวันค่ะโอเคนะสุประบัติะ น, นะอยาา่าทํารทลายอยาา่าขี้เกียจนะไป่อย่ามานั่งดูนิเกดูละครเม่ <c oughs> ไม่ดู <c oughs> ไม่เคยดูค่ะค่ะ โอเคเอไปที่จามัตกับแจที่ครับแล้วมาสแกนหาจย์ครับอ่ามีอะไรวันนี้วันนี้ ม, มีคําถามค่ะมีคําถามหรอือไม่มีครับไม่มีเดี๋ยวเราก็ถามแล้วเรามีอาการหาที่สองอยู่ในใจหรือเปล่าครับมีค่ะนออให้น้องลองลอ ง, ลองว่างกันดิครับ ผมคนและบันหนังเนื้อเอ็นกระดูเยื่อในกระดูมาหัวใจตับทั้งคืนไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาารใหม่เก่าเยื่อในสมองสีรษะน้ำดีน้ำเ็ลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงื้อน้ำมันค้นน้ำตาเตลวน้ำตาอน้ำปู น้ำไขข้อน้ำมูนน้ำมูนน้ำไขข้อน้มูนน้ำลายน้ำเดือน้ำตาน้คนน้ำเดือดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเดน้ำีที่ไนสมองสีสั่อาหารเก่าอาหารใหม่ไซย์ให่ซย์ไยน้อยใซยใหญ่ปอดไตสมมติตับหัวใจ ม้าเพียในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเต็กขนผมเห็นภาพเหลนี้ไหมเห็นค่ะเห็นเหรอใครนึกไหมเวลาเห็นเห็นคนเห็นภาพเหล่านี้ในตัวเขาไหมมองมีตาเอ็กซเรย์ด้ยังมองเห็นกระดูกเห็นโครงกระดูกเขาไหมเวลาเห็นใครไหมเห็นค่ะเห็นเหรอเห็นโครงกระดูกของเราไหม ครับเห็นหเห็นครับถ้าเต่ดดูในกระจกแล้วน่าดูไหมครัวกันดูครั่ะน่าดูสวยงามไ ห, มหน่าน่าดูอยู่แล้วก็พอคิดซ้ําแล้วก็มองทะลุเข้าไปก็เห็นครับรพยายามหัดเก็ไว้เวลามองเห็นใครมองโค่ต้องเห็นโครงกระดูกันด้วย น, นะครับเราจําชื่อก็ได้เราแต่เราจำโคงมาดูก็ไม่ได้นะมั้ยครับ ใช่ครับเวลาเจอใครจาชื่อเขาได้อยู่ที่ไหนเรียนชั้นไหนจาได้หมดแต่ไม่ไม่ไม่จําครงกระดูกเขาไม่มั่ง <c oughs> ต่อไปนี้ครับอาจจาโครงกระดูกของเขาด้วยนะเขาไม่โครงกระดูกก็แบบนึกดจใจดูวันนีว้วันนี้ก็มีโครงกระดูกก็แบบมันมีกระหลกสีาขาวก็แบบดีห เนี่ย <Yeah. S 1> หันหันมองครงกระดูกของคนนะเวลาที่เราเห็นไก่เราไม่ครงกระดูกได้มาหาเราแล้วก <c oughs> ำลังเล่นจะครงกรดูกกันคร <c oughs> งกระดูกกำลังเล่นกันนะห <c oughs> ันดูงี้มากนะมันจะได้เป็นที่ใสขึ้นมาถ้าไม่หัน ด, ดูมันก็ไม่เป็นนะมันก็ไม่เห็นทั <c oughs> <c oughs> นทีไมเห็นข <c oughs> ้นนาใจไหม พอจะ ท, ทำได้ไหมทำได้ครัแล้วยังสวดมอนต์อยู่อ่ะสวดอยู่ครับทุกคืนนะครับนั่งสมาธิป่ะนั่งครับโอเคสงบไหมสงบอยู่คระ น, นั่งได้กี่นาทีได้ไรนี้สิบห้าสิบห้านาทีครับอช่คิดว่าคิดว่าเมื่อก่อนยี่สิบกว่านาทีไหมครับแล้ทำไมเหลือเก้าสิบห้า ต, ต้องตื่นเช้าขับไปโรงเรียนอะ่ะโอ้ยต้องตื่นเช้าอห้านาทีนะพ่อเขารีบเนี่ยครับก็เราเรียบมนส่วนม น, นนั่งสมาธิก่อนไม่ได้นะก็อย่าไปทำอย่างอื่นเลยเอาเวลาที่ทำอย่างอื่นมานั่งสมาธิแทนคร่ะต่อไปนี้ต้องนั่งให้ได้คืนยี่วโมง แต่แ ต, ตื่นเช้าก็าาต้องนั่งเร็วขึ้นครโอเคนะคไม่มีอะไรใช่ไหมมีมีคําถามนิดนึงค่ะระอาจารย์ อ, อ, อกิเลสละเอียดนะคะพระอาจารย์อย่างเวล า, ารถถเราทำสมาธิแล้วถ้าเราอยากสงบแบบเนี้ยคะ่ะถือเป็นกิเลสละเอียดไหมคะถ้ามันทําให้เราทุกข์ก็เลยก็ก็ก็เป็นกิเลสถ้ามันไม่ทําให้เราทุกข์มันทําให้เราสงบมันก็ไม่เป็นกิเลส มันก็ต้องมีความอยากนั่งมันถึงมันถึงจะนั่งกันแต่ถ้ามันอยากเกินเกินความเป็นจริงนั่งแล้วไม่สงบแต่อยากถ้ามันสงบแล้วมันไม่สบายใจมันก็เป็นกิเลสขึ้นกันแต่ถ้าไม่ไม่อยากนั่งมันก็มันก็ไปดู youtube แทนก็ไปดูทีวีแทนมันก็ต้องอยากนั่งใช่ไหมว่าอยากนั่งก็ก็ไปนั่งแล้วทําให้ใจสงบมันก็ไม่เป็นกิเลส ถ้าอยากนั่งแล้วไปนั่งแล้วใจไม่สงบแล้วพอไปทุกข์อย่นก็เป็นกิเลสยังอยากนั่งแล้วพอไปนั่งจะสงบแล้วไม่สง บ, บก็อย่าไปทุกข์ก่อนเลยหรืว่าเราทําทําตามหน้าที่อยู่ครับสงบก็ดีไม่สงบก็ดีอาจารย์นะออะไรที่ที่อยากแล้วไปทําแล้วทําให้ทุกข์ก็เป็นกิเลสั้างนั้นนะ ันที่อยากจะทําบุญไม่มีเงินทาบุญอยากทําบุญก็ทุกข์ใจไมาอยางนี้ก็เป็นกินเลสเมื่อไม่มีเงินทาก็ไม่ต้องทํานั้นเนี่ยมันก็ไม่ทูกใจใช่ไหมต้องมีเหือการทําความอย่ากดันถ้าทําด้วยเหตุด้วยผลมันไม่ทูกใจแต่ถ้าทําด้วยอารมณ์อยากจะทํานั้นอยากจะทําแต่ไม่มีงานไม่มีเงินทาหรือไปขโมยเงินมาทําบุญนี่ก็ไม่ถูกนะใ ช, ใช่ไหม ถ้าไม่มีไม่มีเงินก็ไม่ต้องทําทําบุญอย่างอื่นแทนะนั่งสาสินไปนั่งสมาธิไปก็ได้นะนะบางคนไม่เข้าใจติดบุญติดแบบที่เลยนะอยากจะทําบุญอย่างเดียววันไหนไม่ได้ทําแล้วต้องไปมุดวาใจหรือต้องไปยืมเงินคนมาทำบ้านไปอะไรบ้างไม่ถูก ให้ทำบุญเมื่อเวลาเรามีเงินเหลือใช้การที่ยอมเงินนี้ไปเที่ยวไปกินไปเดินไปเล่นเราไปทำบุญนั่นคือเจตนาของการทำบุญเพื่อตัดการใช้เงินไปในทางที่ไม่ถูกการใช้เงินไปทางกิเลสกล้าจากเงินไปใช้รับใช้กิเลสก้ามาเอามาทำบุญนี่ปะเอามารับใช้ใจเราดิปะมาทำมันทำใจให้เรามีความสุขนี่ปะ โอเคนะเข้าใจแล้วเอ็งถึคอยดูเวลาอยากรถทุกพัฒนาว่ามันมันเกินเหตุเกินผลไหมอยากไปวัดแล้วไม่ไปไปแล้วทุกนะอย่างเกินเห็นใเกันผลนไม ไ, ไปก็ก็เอาเอาวัดมาที่บ้านทําบ้านเป็ น, น, นวัดขึ้นกระวนเรื่องใช่ไหมไปวัดไปทำอะไรเอาไปตามทำก็เปิดทำมาฟังที่บ้านก็ได้ด <im it> ีก็เลสเป็นอยากออกนอกอยากจะออกนอกบ้านก็ได้อ่านไปไปวัด แต่ตอนนี้มันอยากออกองวัดเที่ยวมากกว่ า, า, าระหว่างทางนะโอเคไปที่จับข<ต>้างบนพระาจาร์ครับอ่าคุณแอปในโลกชายยุิสาวสองคน ช, ง ช, ชื่ออะไรนันจ๊ะจำไม่ได้ผู้ชายชื่ออะไรคุมครับครับอะไรนะคุมครับครับคุมหรอคุม คุณซับครับชื่อคุณซับครับเราเราผู้หญิงนี่เป็นพี่สาวเป็นน้องสาวน้องสาวครับชื่ออะไรชื่อเวียงพิงค์ค่ะเวียงพิม์เหรออ๋อคุณซับขอเวียงพิงค์อ่มีอะไรหวันนี้ไม่มีอะไรครับเดีกรนดูกอาการทันทีสองมันส่งหรือเปล่าครับได้ค่ะยังจได้อยู่หรือเปล่าได้ค่ะ ามาผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจต า, ตาคังผืชไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะ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 ใจใหญ่ไอ้ใจน้อยใจ<ส>น้อยใจหญ่อาหารไอ้ปิดโปอตายพังผืนตาบหัวใจม้ามเยื่อในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเ ล, ผลผ็บขนผง แล้วนั่งสมาธิได้ยังยังค่ะเรานั่งดีวเสินนะก่อนนั่งก็สวดอิติปิโสไปก่อนวิจากบท อ, อ, อิติปิโสไว้ค่ะส่วนบทอิติปิโสอิติปิโสอัตตวะระหังสัมมาสามพุทโธวิชาจารณะสัมปโนเลยค่ะเรานั่งรับนั่งสบนั่งรับตามแล้วก็สวดไปภายในใจเนยหนึ่งจบเสร็จแล้วก็นั่ง ดูลมที่ปลายจมูกก็ได้ถ้าดูลมไม่ได้ก็นั่งท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปในใจเอาห้านาทีก่อนหรือนั่งได้ไหมห้านาทีนั่งพิเศไไ้มไหมไว้ครับนะลองหันนั่งดูนะไม่ยากค่อยๆทำไป ถ้านั่งเลยนน้อยกว่านั้นก็นั่งได้ถ้าเกิานาหน้าทีได้ก็นั่งไถ้านั่าแลยังไม่อยากจะลุกก็นั่งต่อไปก็น่าครับนำมารายงานให้ฟังต้องทําทุกคืนนะก่อนนอนครับอืมแล้วเราจะนอนหลับสบายฝันดีนะโอเคมีอะไรไหมมีอะไรไหมไม่มีค่ะ อเไม่มกลาจะได้ไปต่อนะจากเชียงใหม่ก็จะไปทงขาเลยให้นาราธิวัตร อ, อไปข้าจชาบเพิ่มด้วยนาราธิว<น>ัตใช่ไหมนาราธิวัตรค่อาจารย์ <Okay. S 2> นวัตสกุลค่ะอาจารย์เ อ, อ่าไปยังไงยังปฏิบัติอยู่หป่ะยังทําอยู่ค่ะแตอาจจะย่นหยอดหย่อนต้องหน่อยเนี่ยแหะคะ่ะด้วยด้วยภาระหนะ้าที่แต่พยายามนั่งนะคะพยายามนั่งให้มันคุ้นชินนะคะ่ะ แล้วก็ให้มันพ่นการเจ็บอะค่ะ พ, พ่นฝืนมันก็ตอนเย็นออกไปเดินรอบสนามเพื่อฝุดทำแข็งแรงของร่างกายแเราไปดึงถึงปุ่มค่ะงายมันฝึกสติไปด้วยได้สองยินนงนอกทีเดียวได้สองตัวใช่ประมาณนั้นค่ะ<ด> แ, ลแล้วก็กได้สติ อ, อ, อันนี้สองของการเดินจงกรมนี้่เป็นว่าทําให้อายุยืนยาวนะช่วยก้าวแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ปุ่ม ลองเดินทุกวันหนึ่งให้มันกลายวันขช้นยองเช้าคืนมองเย็นคืนองนือวันนี้ก็เดินรอบสนามพุ่มบอลประมาณห้า้ารอบอะค่ะเราจับประมาณสามพันตัวเก้าอะค่ะค่อนดีพยายามฝึกิตน่าจะไม่เห็นประมาณครึ่งชั่วโมงนั้นเยอะกว่าได้อยู่ค่ะได้อยู่เดินกว่า พยายาม<ช>ทําให้มั น, นเดิน <ใจ S 2> ย่างพยายามใจลอยนะเดินย่างใจลอยเดินให้มีสติอยู่กับการเดินก็ได้อยู่กับมุดโธก็ได้หรือจะอยู่กับการยืดดูคลองกระดูกเราก็ได้ตอนนี้คลองกระดูกพาต่อพาคองกระดูกมาเดินเล่นขนาดนี้ใช่ใช่บางครั้งก็เดินดูกระดูกแล้วก็หันไปมองคนรกระดูกเดินรู้สึกเหมือนซอมบี้เลยอาจารย์รู้สึกสยองไปสี่ไม่หม<อ>ือนนะในคลอกระดูกเต็มไปหมดนะไปศูนสวนสวนขายข้าวที่วันนี้มีแต่คลองกระดูก วันเป็นวันแต่พอเดินบางทีมันก็ไปแป๊บหนึ่งเราก็รู้ว่าเรากําลังออกข้างนอกแล้วก็กลับมาใหม่เดินเรยๆพอมันผลักกลับมาใหม่ค่ะแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะจะพยายามทำให้ทุกวันค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะอตอนพอกลับมาที่นี่อะค่ะเด็กๆบางคนเขาก็จะถามค่ะ เกี่ยวกับที่หนูไปปฏิบัติธรรมมาคือเขาจะไม่มียังไม่มีความรู้พื้นฐานเลยแต่ว่าหนูรู้สึกว่าถ้าเราไปบอกเขามันจะกลายเป็นคนตาบอดตอนคนตาบอดหรือเปล่าคะ อ, อ, อย่างเช่นเวลาเอาเค้กไปถวายที่สาราฉันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆถามว่าครูฟามให้พะกินหมดเลยหรออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทาไมเหมือนเขามีคำถามเยอะแยะไปหมด ว, ว่าทำไมเราต้องถวายคะบอกมันน่้นนาทา เค้กมันน่ากินนะทำไมเราต้องให้ประมาณนั้นนะคะเราสามารถสอนอะไรของเขาไดก้ก็เหมือนก็เมือนเวลาเข้ามาเรียนกับครูข้าวเันมาให้ครูแบบ <c oughs> ถ้าไม่มีเงินให้ครูครูจะมีเงินไปซื้อข้าวมากินมามาสอนเด็กนักเรียนด้วยเปล่าอะเป็นกผ้าไม่รับเ ง, งินกับผ้ารับอาหารแทนก็อ <c oughs> า, าหารไปให้กับผ้าพ้าก็เป็นครูสอนพวกเรา ถ้าไม่เรียครูแล้วครูจะ อ, อยู่ได้ไหมจะมีครูมาสอนเราได้ไหมเรอถึงถ้าถวายปัจจัยสี่ให้กับพระสงฆ์นะที่อยู่าัยกุติถวายจีวรเป็นธมบารเนือมาถวายอาหารที่ศาลาและเวลาเจ็บคข้แน่นปวดก็รักษาพยาบาลท่านพท่านเนต้องการท่านนี้ถ้าไม่ได้เรียนกันเดือนกีเมือเกี่ยี่พัน เงาแค่ปัจจัยสีเย่เท่านั้นก็แบบเหมือนกันนะทาไมแม่อธิบายให้เขาฟังว่าก็หนูเมื่อทำไมหนูว่างเงินไม่ใหครูทำไมทำไมถามเขาบ้างกล <c oughs> ัวกลว่าสอนบอกเข้าไปอธิบายเข้าไปจะกลแบบว่า เรายัางไม่มีความรู้ไม่ไม่ไม่แน่นอนเดี๋ยวพูดผิดไปสอนผิดดีแล้วถ้าไม่ไม่เข้าใจอห้อย่างพวกไม่สอนเดี๋ยวสอนผิดแต่ความหลักหลักมันก็เป็นอันเดียวกันนะเป็นค่าจ้างอบแทนแล้วแต่เป็นค่าจ้างแบบล้วแต่ศรัทธาไม่ไม่ได้เรียกร้องค่ะ แล้วก็พวกเวลาที่ขึ้นเขาไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าเราไปแล้วจะต้องไปเจอเขาจะถามว่าเจอกวางไหมแล้วเจอทุกแกหรือเปล่าเจออะไรน่ากลัวหรือเปล่าแล้วหนูหนูจะทํายังไงอย่างเงี้ยค่ะหนูก็บอก mm hmm. มึงก็บอกเขาไปตามตรงว่าถ้าเจอทุกแกคูก็ตั้งชื่อว่าค่อยๆกับเหมี่ยรี่มันก็ไม่น่ากลัวแล้วอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. เขาก็จะได้พอเข้าใจแบบนั้นไปแต่ว่าเขาจะนึ เขาจะไม่รู้ว่าทําไมเราต้องมาปลีกวิเวกหรือว่าทําไมจะต้องขึ้นเขาทําไมต้องไปเจออะไรที่น่ากลัวทําหรือยังไม่ได้อธิบายอะไรเขาขนาดนั้นอืมเขาอยากรู้ว่ค่ะครับถ้าอธิบายเขาฟังได้ก็อธิบายแต่ถ้าไม่ได้ก็ผมยังไม่ไม่รู้จะว่ายังไงก็อกไม่รู้ไปแล้วกัได้ค่ะก็บอกเหมือนกับ เหมือนกับครูไปเรียนหนังสือเวลาหนูเรียนหนังสือน้องเรียนที่มันเงียบๆใช่ไหมเวลาถ้าไปอยู่ที่มันหนอกครูเนี่หนูเรียนเรียนหนังสือเรื่องเรื่องก็แบบทำให้ที่เงียบๆนี่ก็ไปเรียนหนังสือเป็นการเรียนชีวหนังสือชีวิตเระ่องชีววิทยาจิตตวิทยานเรียนศึกษาเรื่องจิตใจ มีอยู่ที่เงียบๆถึงจะเข้าใจได้ค่ะอาจารย์มาอีกนิดนึงค่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์อย่างถ้าสมมติตอนนั่งสมาธิอะค่ะเวลาพวกเหตุการณ์ในเก่าๆในอดีตมันจะผุดขึ้นมาบางทีมันเราจิดเราจะรีแอคเป็นแบบกร ไม่พอใจหรือพอใจนะคะแต่ว่า ร, ร, รีบกลับมาทิ่พุโทโธรีบกลับมาที่ลมหายใจแสดงว่าเราไม่ได้อยู่กับพุโทโธไม่ได้อยู่กับลมหายใจนะแล้วไม่ต้วง <คน S 2> ไม่<ข>าหาย <ใจ S 2> ไปอ๋อค่ะแล้วในในชีวิตประจำวันก็เหมือนกันคะ่ะถ้าเราเห็นรู้สึกอะไรที่มันกระเพื่อมขึ้นมาก็แค่ลองอยู่กับพุโทโธเดี๋ยวเขาก็หายไปใช้วิธีเดียนะะันใช่ทุกอย่างมันเกิดระดับของมันเองค่ะถ้าเราไม่ไปยึมมันค่ะ แล้วตกลงอารฝ <ทำ S 1> ึกสติมันมนการฝึกสติเนี่มันเพื่อสอนให้เรารู้จักปล่อยวางปล่อยทุกอย่างให้ก็เป็นไปตามธรรมชาตินะครับ เ, เรามีอะไรยึดใจไว้ไม่ให้ไปยุ่งอะสิ่งต่างๆมีพุทโธมีสติมีอะไรคอยยึดเดี๋ยวจิตใจไว้แต่ไม่เปมีเรื่องเวลาเนื่อมากช่วมีเรื่องเวลากัน็ได้ยินเสียงไม่ดีก็เกิดรารอมกอดขึ้นมาเดี๋ยวก็ต่อ ด่าเอากลับไปก็ด่ามาเขด่าเอากลับไปการที่มันกับเพ่อเราไหมคะพระอาจารย์ที่กับเคพื่อมขึ้นมานี่คือเรา<อ>ใจสง่ใจเรายังไม่สงบไงกิเลสมันยังทํา ง, งานอยู่สังขารบางสัญญาสังขารมันทํา ง, งานอยู่เราพยายามที่ระงับสัญญาสังขารด้วยาการใช้พุโทโธพุโทโธแตมันของเราเพิยงแต่เริ่มต้นมัน มันเป็นเหมือนรถมันวิ่งเร็วกว่าเรามันก็อย่างตามมันไม่ทันแต่ทำให้มันบอบางได้บางส่วนใจมันยังไม่หมดมันก็ยังโผล่ขึ้นม่เรื่อยๆแต่หลักการก็คือไม่ต้องไม่ไม่ต้องเป็นสนใจมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันให้เราอยู่กับพื้นท้องไปไม่อยู่กับอะไรที่เราใช้เป็นเป็นหลักยึดใจเราใชค่ะแล้วต่อไปสติจแล้วมากขึ้น สันคาคันยาของเราก็จะหยุดก็จะทำงานน้อยลงไปเลยค่ะขอบคุณค่ะพระคุณคอาจารย์อาจ า, จารย์พรพริรายจากกรทมออกรับร ก, รรกลับนักศึพษาอาจารย์ค่ะเป็นไงนังสึกษเป็นาจารย์ครับเป็นานนนจารย์รยประรับ ค่ะได้อ่านไปเศษหนึ่งส่วนสามเล่นนะะมแล้วค่ะอ่านอานดีค่ะก็ก็ได้ได้อ่านอยู่นะคะแต่ว่าจะเป็นภาษาสัมบารีมาอันนี้พระเป็นภาษาเราก็เข้าใจงา่ายใด้เใได้เข้าใจภาษาบาล<จ>ีเราไม่ได้เรียนมาไม่ได้ไม่ได้เป็นภาษาที่เราใช่อยู่ใช่ค่ะเวลาสวดธรรมจักรก็สวดไป ก็พอเข้าใจนะคะแต่ว่าจะไม่ไม่ลึกซึ้งจะพยายามเข้าใจว่ากำลังพูดถึงอะไรในแต่ละเรื่องบางบางฉบับุณก็จะมีภาษาแปลให้ด้วยนะเวลาสวดก็จะมีภาจาแปลเป็นภาษาอันนี้เี่่นภาษาไทยรุ่นรื่อเไม่อยากเลยก็เพลินเละพอได้มาก็แบบลงนั่งอ่านไปโปรตีไม่ค่อยชอบมาในแพนนะอ่านไปห้าสิบหน้า <ไ>แล้วก็มีมที่ที่มาที่ไปของแต่ลประสูตรด้วใช่ใช่อันอื่นไม่ค่อยได้รู้จักนะฮะว่าอะไรก็รู้จักแต่ธรรมจักรก็เลยได้ขยายความเพิ่มมาคืนว่า mm hmm. อ, อ๋อนนี้เองที่เรียกว่านาอธิภัตกาอะไรองเงี้ยค่ะเราขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะความเมตตาเพราะว่าเพื่อน mm hmm. เพื่อนศรีอ่ะที่ตักบาตก็ขอมาขอมาเราก็เลยบอกเอา เ, อ, าเ อ, าอย่างนี้ไปอ่านแล้วกันอืม mm hmm. ไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นฉบับมีก็มีอยู่ที่ว่าแต่ไม่ไม่ไม่รับประกันว่าจะจะหมดเมื่อไหร่ก็จะไปวันที่สองอะคะสองสองมีนาค่ะอจะไปปาดแล้วไปถวายอาหารเราไม่ไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้ให้ได้เพราะไม่อยากจะเป็นภาระเดี๋ยววันนี้ขอยบอกให้เก็บคนนั้นบอกให้เก็บคนนั้นไม่เป็นไรอ่ะ ได้ก็ได้แต่ว่าได้อย่างนี้ก็ได้แล้วอย่างนี้อ่านแล้วเพลินไปเลยค่ะเพราะว่ามันก็ไม่หนักไม่ต้องพลิกหน้ามากโดยเฉพาะตัวใหญ่ค่อตัวใหญ่แล้วก็ไม่ต้องไปเก็บเป็นเป็นตั้งเลยนะฮะเก็บอยู่นี้อ่าเดี๋ยวทุกอย่างจะใส่มานแผ่นทั้หมดใช่ค่ะใช่ค่ะคุณนเ่งนทำงานดีนะคุณนุ่งคนงาครับสบายดีครับพรอาจารย์โอ้โหที่ลูกมาชานี่กําลังยองน้ำสัตว์อยู่ค่ะ เนี่ยโผลแล้วก็คลัวแทนนะคะการเดินจงกรมนัางเดินจงกรมก็ได้โอ้โหทำให้ทำพุทธเจ้ายกไปยกพุทโธไปอนนี้ยกไปยกพุทโธไปการเดินเดินเหมือนตีก้อนั้นเดินไปเดินจงกรมนี่ก็มันเดินไปตีกล้องไงขอสาธุด้วยอ่ะคอยกไปแล้ก็พุทโธไปด้วยโอเคขับนมัสการค่ะอช่สาธุวันดี ไปที่พื้นที่เชียงรายต่อการพักกันพัฒอาครับแต่วันนี้ไม่มีอะไรครับเข้ามาร่วมรับฟังแล้วก็เข้ามากราบอาจารย์ครับปฏิบัติกราบพระอาจารย์ครับทุกวันนะอรับถูกครับผมขอให้ท่าน่านพระอาจารย์หึงแรงครับผมคอับครับผมสาธุครับหมอพรชนะต่อพระร กลับม้เมืสักการค่ะพระอาจารย์ก็กลับมาแล้วยังรู้สึกยังสงบแล้วก็รู้สึกดีอะคะ่ะพระอาจารย์อารมณ์สดๆร้อนๆก็ดูแล้วมันยังไม่มีพระอาจารย์ค่ะมั น, น, นก็ทำํำมันดีขึ้นดีขึ้นถ้าเจอแผ่นดินถล่อะไรขึ้นมาก็จะได้รู้ว่าจิตใจเรามั่นคงไค่ะ ได้ค่ะแต่รู้สึกดีดีมากเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็กลับมาก็ยังปฏิบัติเหมือนที่วัด น, นะคะก็คือที่ที่บ้านมันมีทางเดินจงกรมที่ทำเอาไว้แล้วก็ข้าง น, นอก<ม>นอกบ้านในหมู่บ้านมันก็จะมีทางเดินรอบใหญ่ก็จะเดินตอนเช้าก็จะลงมาเดินในตรงตรงที่มันมีงูอะไรอย่างเงี้ยไปมาเดินเอาไว้ทุกวันพระอาจารย์ก็พยายามเตือนใจเรื่อยๆไม่มีเท่งแท้แน่นอนชีวิตเรามันอาจจะเพิกหน้ามุมเป็นหลังมุมขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นะค่ะพระอาจารย์ตั้งใจเลยค่ะแ ล, แล้วก็ต้องขอ นั่งเล่นนั่งเป็นการนั่งเรือมันจะล่มเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ถต่ต้องเตรียมมาเตรียมชูชีพเอาไว้เตรียมหา ด, ดวไวาา้น้ามันไว้เวลาเรือมันล่มเราก็อยากจะไปต่อได้ช่างพระอาจารย์ชีวิตเราก็เหมือนนี้ไม่มีอะไรแน่นอนมันเหมือนยกแพนอยู่บนเ้นได้อย่างประมาณก็แล้วก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์ด้วยค่ะเมื่อวันอังคารเสด็ที่พระอาจารย์เอาเทปของพระอาจารย์ดิกมาค่ะอู๋ คือได้อ่านคือได้อ่านปัญญาเหนือสามัญในในกุฏิที่ขวัญเขาชิโอนชอบมากเลยพระอาจารย์ต้องจดออกมาแบบจดออกมาเต็มเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นอ<ม>าจารย์สื่อปัญญาท่านอธิบายได้คื อ, ค, อคือรู้สึกว่าคือแบบว่าอธิบายได้เข้าใจมากเลยเหมือนของพระอาจารย์เลยแล้วก็พระอาจารย์ดีกันค่ะพระอาจารย์ดิ๊กยังขอบคุณพระอาจารย์เลย<ม>พระอาจารย์เป็นคนแปลให้ท่านใช่ไหมคะมมคือบอกดีมากแล้วก็พระอาจารย์ดิ๊กบอกประโยคหนึ่งที่ชอบมากเลยคือสตองบิลิของเราที T ่เชิญ e คือแบบเออจริงจรด้วยคือคือฟังแล้วรู้สึกโหแบบดีใจอย่าพระอาจารย์ได้เจอตัวจริงเพราะอ่านมาแล้วไม่เคยเจอพระอาจารย์ดิ๊กเนี่ค่ะดีใจมากเลยค่ะรู้สึกว่าขอบพระคุณพระอาจารย์ <Okay. S 2> ทําต่อค่ะ <Okay. S 2> พระอาจารย์วันนี้ประชุมนะพระอาจารย์รู้สึกเลยว่าเออห้ อ, องปรชุมสงบมากคือแบบดีมากเลยพระอาจารย์ดีมากๆเพราะว่ามันรักษาความสงบของใจได้แล้วก็หน้าที่ของเราเราทําเราเราคือแบบเข้าใจที่พระอาจารย์บอกเลยค่ะทำหน้าที่ไม่มีอารมณ์ ทำให้ีที่สุดอโอเคดีนทุกไปที่ป็นแนอนอุดรธานีก่นนมัศการค่ะพีะ่าจารย์บอดี้ไม่มีคาถามค่ะโอเคงั้นไปที่น้องอ้อม อ, อ้อมบววินชนบรีคร่นนะนมัสการค่ะไม่มีคาถามเหมือนกันค่ะโอเคงั้นไปที่คุณมาริการาชอว่าเหมือนกันนะราชว่า วิจารการหรือเป่าวิจารการนะข้่อาจากับนมรักการเจ้าข้าพ่าอาจารย์เพราะว่าจากที่ว่าที่ผ่านมาเนาะ อ, อาจารย์จะไปเจอลักษณะของสภาวะที่เข้ามาหูตาจมูกลิ้นไก่ใจของเราเนาะ อ, อาจารย์ก็คือจะเกิดความลังเลสงสัยพอเกิดความลังเล ส, ง ส, เล ง, เลสงสัยขึ้นมาแล้วมันมันไปไม่ได้เลยค่ะ อ, อ, อาจารย์มันรู้สึกตัว หัวเราอื้ออรู้สึกไม่สบายแต่เราขอคําชี้แนะตรงนี้มันเป็นตายลากหัวมันมองใหมันเป็นตายแล้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวรูปเป็นแบบนี้เดียเด๋ยวรูปเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเสียงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเสียงเป็นอย่างนี้ดีมากไม่ดีบ้างเป็นห <c oughs> น้นาตาเราไปควบคุมบันครับไม่ได้เราก็ใช้ดูรับรู้มันไปมันยึดฝ้าอากาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เ ร, เราไม่ต้องไปทําอะไรอย่าไปยุ่งกับมันยุ่งแล้วมันจะทุกข์ใช่ค่ะอาจารย์รู้สึกว่าไม่ยุไม่ทุกข์ใช่ใช่เจ้าค่ะใช่ใช่แเองคือความหมายใช่เจ้าค่ะดังนั้นก็คือจะทําให้มันมันมีอาการที่แบบเดินเดินไปไม่ได้มันสะดุดมันล้มแต่ว่าลักษณะหนึ่งที่ว่าไม่เคยเกิดนะอาจารย์เพราะว่าเพิ่งเกิดมาในในช่วงที่อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ก่อนนั้นเคยที่เคย ถามทาอาจารย์ก็คือในเรื่องของว่ามีมีมีคนสองคนก็คือดีไม่ดีดีไม่ดีให้เลือกแต่ตอนนี้มันมาเจอของลักษณะของอืมลังเลสงสัยอะไรวะตอโทษนะาจัรมันก็เฉยเฉยไปคำมาที่พูทโธพุทโธไปว้ทุกอย่างเป็นไปตามเรื่องของมันมันจะดีจะช่วไม่ดีไม่ช่วก็เรื่องของมันไปไม่เกี่ยวาค่ะ ขาทุกเจ้าขา้าพผู้อยากเป็นตายรักฝนรูปเสียงกินร้อนฝนถ้าไปเกิดกิลเลสแล้วมันก็จะเป็นร้อนเป็นไฟขึ้นมาถ้าไม่อยากไปรักไปชงังรูปเสียงกินร้อใจก็จะร้อนขึ้นมาถ้าใจมันเฉยเไม่รักไม่ชังรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วดับมาแล้วไปก็ไม่ทำยุ่งกับมันใจก็เย็นสบายจะอ่ อโอเคไปที่คุณสุภัฒนาบอววนเป็นกันชนเรยกล่าบรรมสการ์พระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มาขอฟังธรรมับ้าค่ะไม่มีคำถามั้ะปะโอเคยังไปที่น้งน้ำโมสันโดสุัยเลยมันพาบุญยามาฟังด้วยเหรอสำเร็จแล้วครับอาจารย์ วันนี้โชคดีครับที่อในทีวีครับมีพัฒมีเป็นที่พระชาย์เพศออกออกทีวีคุณยายเห็นคุณยายก็นึกขึ้นได้เออไม่ได้เจอพระชารย์นานแล้วเนาะเขาคนมาบอกเองบอกวันนี้พาไปเข้าห า, หาพระชารย์ในซูมหน่อยทีวีช่องไหนเลยช่องธรรมะทีวีครับเจ้าเสืออใช่ใชนะช่องของเธอเลเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมะชื่อช่องธรรมะ ธรรมะทีวีเป็นเคเบเป็นเป็นเคเบิลวันนี้เลยค่ะวันนี้นะครับแล้วก็เปิดอะไรเปิดเทปที่เรเทปให้ฟังเหมือนกันใช่ค่ะเปิดเปิดเทปของพระอาจารย์ที่เทปช่วงบ่ายสองที่ถ่ายทอดสดนี่แหละที่ถ่ายทอดสดใช่ครับช่วงบ่ายก็มาเอามาถ่ายทอดสดต่อเลยเนียเขาจะมีถ่ายทอดสดแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่พระอาจารย์ไลฟ์ในแต่ละวันต่างหรือว่าเป็นอไปอย่างเนี้ยครับ เวลาที่ออกเวลาที่ออกตรงกับสองโมงป่ะไม่ไม่ตรงไม่ไม่ตรงครับไม่ตรงครับถ้าสี่โมก็ไม่ได้เป็นของส่วนเป็นของแค่แต่ที่ที่ออกไม่เมื่ออกวันนี้คือตอนเช้าครับอาจารย์จะไม่ตกกับพี่ผาจันเลยนะครับอนจครับอาจารย์คุณยายก็เลยนึกขึ้นได้แล้วบอกว่าพาพามาะกาศพระอาจารย์หน่อย ใก็ดูนอาจารย์ไม่งั้นถ้าไม่มีเมื่อเช้าก็คุณยายก็ลืมเราก็ไม่กล้าเตือนมากเออรัชวนเนะคุณยายกรนีมีธรรมะมามาเข้ามาดูไหมเข้ามาฟังกันไหมมาคุยกันคุยกับอาจารย์ไหมชวนได้ครับอาส่วนก็ส่วนมากก็เจอครบท่านค่ะอ่าคุณยายแข็งแรงก็้นะออกจากโรงพยาบาลแล้ว ก็ยังก็ยังไม่เท่าเหมือนอดีตเดิมค่ะไม่ค่อยเหมือนเดิมครับก็จะพูดสลับอะไรเงี้ยแต่ก็จับฟื้นมาพอสมควรครับใช่เวลาหน่อยเแลยวก็แล้วกลับมาเป็นปกติก็คอยบอกคุณยายเป็นไตรักี่ไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นตุ๊กตาตัวนึงที่เรามาใช้ทําประโยชน์ให้กับเราเราคือผู้รู้ผู้คิดนวิจัย เราไม่รู้เป็นร่างกายเราเป็นผู้ใช้ร่างกายมาทำประโยชน์ให้กับเราเดย๋ย ว, วันอึ่งร่างกาย็ตนองใส่กุ o d บายไม่บายขอไปก่อนกนะ็ให้เขาไปเนะ่เดี๋ยวเปลยนเปลี่ยนคนใช้คนใหม่คนนี้คนคนใช้คนเก่าทํางานไม่ไหวแนะล้วคนเราคอรอัออบอาจารย์แล้วก็ยังปฏิบัติต่อเนื่องครับผมคุณยายก็ขยนันผมก็ต้องขยันเหมือนกันครับผ ม, มก็ ก็จะไปปฏิบัติตลอดครับพระอาจารย์แล้วก็ถ้าตอนไหนที่แบบมันดูลมหรือว่ามันพูดโทหรืออีติปิโซไม่ได้ก็จะเน้นไปทางการดูอารมณ์อย่างเงี้ยครับพระอาจารย์ดูอารมณ์แล้วก็คอยดูแล้วต้องคอยหยุดมันอย่าไปดูแล้วดูเฉยก็จะดูเฉยแล้วเมื่อไหร่ที่มันแบบมีอารมณ์อะไรมากระทบเราก็จะแบบเฉยให้ได้คืออุเบกขาได้อย่างเงี้ย ครับจะให้มันมใช้ชถ้ามันไม่ใช่ใช้พุโทโธพุโทโธพุทโธใสดงออกไปครับอาจารย์แล้วก็ยังปฏิบัติครับแล้วก็เวลานั่งสมาธิมันจิตมันรวมรวมง่ายแล้วก็เร็วขึ้นเยอะเลยครับอาจารย์ตอนนี้ก็ฝึกให้มันเข้าออกสมาธิได้บ่อยๆจะได้สามารถมาพิจารณาทำข้อธรรมได้แบบมีกําลังมากขึ้นครับอาจารย์ได้าาไดีดคำถามมีอะไรไหมวันนี้มีคําถามอะไรไหม ไม่มีครับอาจาย์แล้วก็ในเรื่องของอาการสามีสองก็ยังท่องอยู่ทุกวันครับผมใช่ครบมใช้มันด้วยเลยเวลาเห็นใครเห็นคุณยายก็เห็นเห็นอาการสามีสองของคุณยายด้วยคเห็นไหมเห็นของเราไหมเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ครับอาจารย์เห็นของกระโดดของเราไหมเห็นอยู่ครับถ้าร่างายเราไม่มีของกระโดดนี้ร่างกายจะเป็นแบบไหนมันเหมือนแบงค์กรพุ่นไ แมงกระพุนเลยครับผมมันยืนไม่ได้ถ้าไม่มีกองกระดุกเนี่ยดิกไปดิ๊กมาเลยครับเป็นแมงกระพุนตั้งไม่ได้ครับอาจารย์ที่มันตั้งได้มันยืนได้เนี่ยเพราะมีโครงกระดุกใช่ไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์วันนี้มีเท่านี้ครับผมขอบพระคุณพระอาจาอย์ไปที่คุณชาเนตต์ต่อชาเนิ์อยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมมอยู่ที่ไหนอยู่ญี่ปุ่นค่ะพระอาจารย์อ่า กลับอัตการ์ค่ะนอนอ่านจะต่างท่วงนี้ยสีท่กว่านะสีท่วงกว่าอะถามหลวงพ่อจันมึงแค่สามคนถ้าไม่เกิดใจถ้าไม่อยากเกิดใจใจต้องทำอะไรอะไนะแม่ว่าแม่ไพูดจศาสนาลูกอะไปพ้นใหม่พระจันทร์ไม่ได้ยินอะียากไปนิพพานอยากไปนิพพานเหะ โอเคดีครับจิค่าอยากจะไปนิพพานก็ต้องเชื่อฟังคุณแม่นะอ่าอยากจะพาไปนิพพานก็ฟังคุณแม่เดี๋ยวคุณแมจะพาไปให้คุณแม่พาไปไปอาจันบอกว่าให้คุณแม่พาไปให้เชื่อฟังบอกแม่อ่าเมื่อแม่บอกว่าให้ทำอะไรก็ทําตามเชื่อฟังว่าไงให้เชื่อฟังว่าไงอัดสามตาจานสิ เชื่อฟังว่าไงเช่นแม่บอกให้ให้นอนก็นอนแม่บอกว่าให้กินก็กินทาํทาตามที่แม่บอกได้ไหมคะใ ห, ให้ทํทาตามที่จะจะบอกได้มได้ ไ, ได้ไดแล้วมีอาจารย์อีกที่น้องเจ้าจ๋าไหมอะไรนะไม่อยากเกิดอะไรนะแก่เจ็บตายเราไม่อยากแก่เจ็บตายไม่อยากเกิดเนี่ยปฏิพันธนะ์นะแล้วก็ปฏิพานแล้วก็ไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตาย ดีไหมคะใช่อาจารย์บอกว่าอันนี้พานเราก็จะต้องไม่เกิดแก่เจ็บตายแล้วไงคะไปกับแม่แล้วแม่ในวันหลังแม่จะพาไปนิพพานแม่จะพาไปวัดพาไปอะไรสาธุค่ะพระอาจารย์นแม่บอกให้บวชก็บวชนะต่อไปบวชพระได้ไหมบวชพระแต่พระอาจารย์ได้ไหมบวชพระได้ไหมคะบวชพระบวชพระก็คือเป็นพระแบบพระอาจารย์อย่างนี้ครับ ใส่ใส่จีวอนอันนี้เขาใส่จีวอนคะเขาบอกว่าใส่ชุดกับพ่าจับมันปวดหัวแล้วไปนะไปเขินเนี่ยโอเคมีอะไรมีอะไรอีกไหมน้องคุณมีอะไรถามบีไหมคะพ่อจันถามน้องจะถามอะไรอีกไหมคะหมดแล้วยัง ยังไ ม, ไมยังไม่หมดอ่ะน้องน้องจะถามอะไรว่าอยากไปนิพพานก็พ่อว่าให้เชื่อจะจา๋างาว่าไงว่าต้องทําบุญทําบุญที่ไหนทําบุญที่ไหนก็ได้ใช่ไหมก็หนูก็มาถามพระเจ้าจิ๋นโอเคนะเช่นทําที่ไหนหนูก็มาถามพีๆๆ่จิสิหนูเช่นทำบุญที่ไหนทํากับแม่ก็ได้เี่ยทํากับแม่แม่บอกอให้ทำอะไรก็ทําตามที่แม่บอกแล้วก็ทำบุญนะ ไอเข้าใจไหมคะในวาพระสก่อนเดีบวตูมกัอนค่ะบาอาจะไหว้พระกาลังหลับเลยค่ะเพราะอาจารย์คอยได้ติดกล้อสามขวบสามวกสองเดือนค่ะว่าสองเดือนอยู่ที่นั่มีโรงเรียนไปหล่าถ้าไม่ได้ไปเดอร์สลี่อยู่เลยค่ะรล่นะแต่เขาดีปุ่นเก่งสามขวบเนี่ยปุนได้ขนาด วันนี้สมใจแล้วหลังหลับนี่หลับสบายแล้วนี่หลับค่ะี่ทงกวาแล้ว่างเงี้นะีเทงกวาที่ขับห้าทุกันกราบค่ะอาจารย์น้องคุณกราบพระอาจารย์ตรุปกราบครับครับครับว่ายนูมีความสุขนะหลับนอนหลับฝันดีนะรู้ครัครับกราบค่ะครั เอาแล้วนะไปที่คุณป่วยต่อคุณปุวยรักเสมอครับนมมัสการกาพาจาย์ม่ว่ายัางไง ไ, ไม่ว่าไงค่ะมารายงานตัวเฉยๆมารับพลังค่ะค่ะโยมก็ปฏิบัติเหมือนกับที่ตั้งจิตเอาไว้ว่าจะเป็นคนดี จะอยู่ในศีลธรรมจะปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโยมก็นําบุญมาถวายกับพระอาจารย์ค่ะและโยมมาขอากราบขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยที่เป็นต้นแบบต้นธรรมให้กับโยมป่ะ อ, ะอะโอเคขอให้สุขให้เจริญให้ก้าวหน้าในทำนี้ย่งขึ้นไปให้ร่ำให้รวยให้สวยให้สามบาไม่รรวยนะสาทุกค่ะถูกหวยถูกเงินด้วยใช่ไหม ไม่เอาแล้ไม่เอาแล้ขอโยงขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพท่าขันแข็งแรงสมบูรณ์เจ้าค่ะอยากทราบถึงที่ฟูเบเป็นกลับมาที่ญี่ปุ่นเป็นจุดกับนายมศักาิพระอาจารย์ค่ะอ่ามีอะไรไหมวันนี้ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ก็มาฟังธรรมเฉยๆค่ะ ขอ่ okay, ยังไปที่บุญเดืงต่อเดืเหมือนฝันอยู่ที่ไหนเดอสวัสดีค่ะพระอาจารย์อยู่จังหวัดขอนแก่นเจ้าค่ะเพิ่งเข้ามาค่ะสวัสดี<ฉ>ะนะมีอะไรไหมพอดีตอนนี้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังมาหลายปีแล้วค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีพฤติกรรมค่อนข้างรุนแรงคือชอบทำร้ายตัวเองแล้วก็ ก็มักทาให้ตัวเองเกือบถึงชีวิตนะคะคุณแม่ก็พยายามรักษาแล้วก็รักษาด้วยจิตแพทย์มาเป็นเป็นปีแล้วยังไม่หายก็เลยมาพบกับธรรมะของพระอาจารย์นะคะก็เลยได้ลองฝึกธรรมะอยู่บ้างก็ได้ฝึกนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ปฏิบัติธรรมจ้ะคะ่ะก็ดีขึ้นก็อาการเริ่มดีขึ้นเจ้ะคะ่ะพยายามทาใจให้สงบให้มากๆค่ะ พยายฝึกสติคอยคุมอารมณ์มีสติแล้วจะคุมอารมณ์ได้เวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียก็ใช้พุทโธพุทโธพุทโธจค่ะอ ย, อย่าไปในตามอารมณ์อย่าไปทําตามอารณ์นะหยุดตามส่วนมากเวลาอาการมันกําเริบ ม, มากๆแล้วเรามักจะไม่ทันสติเลยค่ะพระอาจารย์ ม, มักจะแบบเผลอไปควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็จะเปิดทำร้ายตัวเองเอยู่ตลอดเลยค่ะ เราต้องพยายามฝึกสตินานนีออ้ ก, ก่อนเตรียมสติไว้ให้มีกําลังว่าเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาเรากาจะได้ใช้สติมาหยุดมันได้เจ้าค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็ฝึกนั่งสมาธิแล้วเจ้าค่ะแต่ก็ยังมีข้อสงสัยกับการฝึกปฏิบัติอยู่ก็พอนั่งสมาธิไปก็ยังไม่ค่อยมีสมาธิมากเท่าไหร่ค่ะก็นั่งได้แค่วันละครึ่งชั่วโมงวันละยี่สิบนาทีค่ะ มันก็จะเริ่มฟุ้งซ่านมันก็จะเริ่มกวนกวายค่ะเก็ต้องใช้ใช้พุทโธช่วยช่วยยืนมันเพรามันกวนกวายแล้วก็ทําพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วเราต้องดูลมหายใจด้วยไหมเจ้าคะไม่ต้องก็ได้ทิ้งลมไปเลยแล้วก็มันเปลี่ยนแล้วเป็นพุทโธแทนดูลลมมันไม่กํำลังสู้มันไม่ได้นะเราต้องใช้พุทโธสู้มันต่อเจ้าค่ะ พอมันเริ่มฟุ่งซ่านแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปสนใจครับอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเรารอยู่กับพุโทโธไปชั่วระยะหนึ่งเดี๋ยวอารมณ์ฟุ้งซานมันจะค่อยๆลดทอนไปนะค่ะถ้าดูอวมณได้ก็ดูถ้าดูเราไม่พุ่งซ่านกนดูไปแต่ถ้าดูแ ล, ลมันเริ่มพุ่งซ่านมันได้หยุดมันไม่ได้ก็ต้องผ่ามาใช้พุทโธพุทโธแทนหรืจะใช้การสวดมนต์ไปก็ได้สวดทิติปิโสไปก็ได้่ะค่ะ คือหนูหนูเคยได้ยินมาจากพระอาจารย์บางท่านว่าให้เราลองนับลมหายใจเป็นแบบพุทธโทนับหนึ่งนับไปถึงสิบแล้วก็นับถอยหลังไปเรื่อยๆอย่างนี้ฝึกได้ไหมเจ้าคะได้แต่ไม่รู้มันจะได้ผลก็ตาม เ, เพราะช่วงนั้นมันมั น, ม, น, ม, นมันลมมันช้าเกินไปลมเ้าลมออกมันจะไม่ทันกับความพุ่มท่าทีนั้นจะนั่งบรกิกรรพุทโธให้เร็วขึ้นอย่างนี้ พู <languages? S 1> <อ>ัพท<อ>์โทรศัดูมาลมมันก็ก็ ถ, offer, ถูกอารมไม่ได้นะไม่จาเป็นจะต้องผูกอารณก็นับไปเลยก็ได้ไม่ต้องไปนับที่ลมนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปเก้าสิบสิบอบงบไปก็ได้จะค่ะถ้าไปนับกับลมมันช้าไปไหมหนึ 2, ่งหายใจเข้าสองหายใจออกมันก็เลยปล่อยให้มีช่องว่างให้ให้อารมณ์มันเกิดขึ้นได้เยอะ เราต้องปิดช่องว่างนี้อย่าให้มันมีช่องว่างเราเราพูดโทบพูดโทบพูดโทบพูดโท่องหนึ่งเขาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับไปให้มันถึงพันเลยก็ได้เจ้ค่ะ <fi> แสดงว่าช่วงรแรกๆของการฝึกนี้เราพยายามให้ไม่ให้มันมีช่องว่างของจิตใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ไ ม, ไม่ให้มีช่องว่างที่จิตมันจะมาสร้างอารมณ์ต่างๆให้กับเราอืมก็ไม่จำเป็นต้องดูลมด้วยไม่ต้องดูลมก็ได้ ถ้าช่วงไหนที่มันไม่มีอารมณ์แล้วใจมันเยนเ็ยนๆบางเบาสบายก็ดูลงมได้แต่พอมันเริ่มร้อนขึ้นมามันดูลงไม่ได้แล้วอยู่มันไม่ได้แล้ว<อ>ต้องใช้การนับด้วยใช้พุโทโธเลยเจ้าค<อ>่ะมาลองทํำดูนะแต่เจ้าค่ะพยายามพยายามอท้อแท้อย่อันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องแต่ต้องใจ<อ>ยงเย็นค่ะเจ้าค่ะ อยากอยากทราบอีกข้อหนึ่งคะ่ะพระอาจารย์พอดี อ, อมีคนฝากถามมาว่าเ อ, อสูบบุหรี่นี่ผิดศีลห้าไหมเจ้าคะไม่ผิดหรอกเนี่มันมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพถ้าสุบมากเกินไปถ้าสูบพอหอปากหองคอไม่มันก็ไม่เสียหายอะไรแต่ว่าสูบวันละสองสามมวนเนี่ยแต่ถ้าสูบมันสูบวันละยี่สบมวนสี่สิบมวนอันนียมันเป็นมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพครัาทามันปอดพัง ใช่นี่ย<อ>เอาควันพิษเข้าไปจะรับสูบสูบพอสนุกสนุกพอเพลินเพลินจนมันจะเราก็เคยสูบชอบสูกตอนกินอาหารเสร็จเนี่ยสู่ไปทั้งบุนอย่งนี่ก็ไม่เป็นไรสามื่อก็สามบุนก็พอค่ะเจ้าค่ะแต่อย่าไปสู่เพื่อสบายความเครียดคนส ม, ยมัยนี้เวลาเทรียดก็พอติดบุหรี่ก็จะใช้บุหรี่ระบายระง้ําความเครียดถึงต้องสูบเยอะไม่เครียดบ่อย วันวันนั้นเราใช้บริสุทธิ์สูบมากๆมันก็ทําให้ร่างกายช็อตชุดสองตายก่อนวัยนั่นเองแต่ไม่การสูบบุหรี่ไม่ได้ทําให้ขาดสติไม่เหมือนสุราเหมือนสุราแล้วมันทําให้เมาเมาแล้วควบคุมการกระทําไม่ได้แต่ถ้าสูบบุหรี่มันก็ยังควบคุมการกระทําได้ควรจะไปทาําบาปก็ยังห้ามมันไว้ได้แต่ถ้าเมาแล้วมันห้ามไม่ได้ก็ คือไม่เสรจยาเสร็พติดยาสารที่ทําให้จิตใจเรามึนมาแปลงอาการมึนเมาควบคุมควบคุมการกระทําของเราไม่ได้แต่รัศมีเลยนี่มันยังควบคุมได้มันเหมือนกับไม่ได้สูบมันไม่ต่างกันออแต่เป็นแต่ว่าถ้าสูบมากมันก็เป็นอันตรายต่อร่างกาย น, นแต่ไม่เป็นพิษต่อจิตใจจ้ออาคนะ่ะพอเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วจ้าค่ะ เพยายามนะปกติให้มากๆแล้วต่อไปลโลคซึมเศ้าก็จะหายเองที่มันซึมเชร้าแล้เรากควบคารมณ์ของเราไม่ได้เจ้าค่ะกามาสการเจ้าค่ะอสาธุอยู่คอนแกนใช่มัหมอยู่คอนแกนเจ้าค่ะอ okay. เคได้โ okay. อเคค้อยหายเร็วๆนะขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณเวลาเปิดเปิดกล้องหรืเปล่นี่ยหรือไม่เปิดทําไม่เปิดจะข้ามไปก่อนนะ อไปได้คนยินดีที่แคสซัสเลยสวัสดีคะ่ะท่านอาจารย์เช้าสบายดีคะ่ะท่านอาจารย์เมื่อเช้าดูชีวประวัติของท่านอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษแต่คำเด้งขึ้นมาเลยะอะค่ะอดีมากเลยคะ่ะท่านอาจารย์แล้วเสียงพี่จุ๊บเขาเสียงการพากาศเป็ะภาษาเป็นะะเสียงท่านหวานดีน่ารักดีคะ่ะท่านอาจารย์ฟังแล้วเพลินดีคะ่ะ ก็เหมือนกับเสียงของท่านอาจารย์นะคะเวลาหลายคนนะคะเวลาที่ผ่านผ่านมาก็พูดกันว่าเสียงท่านอาจารย์เวลาฟังธรรมของท่านอาจารย์นะค่ะมันนุ่มแล้วก็ฟังแล้วมันสบายอะค่ะท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็เดวิดก็เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ ont อบอยตองเต้ค่ะขอบอบขระเ้าคว่าแข็งแรงอยู่กับน้ำ ค่ะท่านอาจารย์ขอพระคุณค่ะในความเมตตากรุณาเป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์ขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์ช่วนี้จะมีพรลูกท้อหรือว่มีมีไหมมีไหมไม่มีค่ะวันนี้อากาศดีอาจารย์ค่ะค่ะแต่ก็แบบอากาศที่นี่แปรปรวนเยอะมากค่ะไม่เหมือนอยู่ที่เซาล์ลคโรไลนาค่ะที่นี่วันนี้วันนี้ยี่บสองค่ะแต่พรุ่งนี้ติดลบแล้วค่ะ คือเขาจะเป็นสวิงบ่อยมากบบมาค่ะท่าอาจารย์ค่ะอเคนะท่าอนอาจารค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ท, ทคท ะ, ะท่านอาจารย์ที่ชนะการสมุรทรปรากานมรดกการเจ้าค่ะพรอาจารย์อยู่ทางไหนสมุทรปราการบางปูอยู่อยู่เส้นบางนาตากค่ะอยู่บาง บางนาตัดกมสามสิบสองนะคะพระอาจารย์ใช้ค่ะเรียนในรุ่นชาชุมชาเรรียน่นบอยู่ใกล้อยู่แบบติดติดกันนะคะค่ะวันนี้อยู่ศีลาชาค่ะพระอาจารย์มีบ้านที่ศีราชาไหมอยู่คอนโดค่ะพระอาจารย์ค่ะก็วันนี้ก็ขอความเมตตาพระอาจารย์สั่งสอนต่อนะคะ ก็นี่แนะก็พากันไปเรื่อยๆเนี่ยก็สอนไปเรื่อยๆไปวิจารณ์อะไรโดยเฉพาะจอดจงนอกจากจถามอะไรก็จะสอบให้สอนก็นคือให้มีความเพียรพยะายามรักษาระดับความเพียรว่าอย่าให้มันยอดหย่อนนะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรพยายามอยู่ที่ไหนครับสำเร็จอยู่ที่นั้นเพียรมากก็บรรลุเร็วเพียรช้าก็าบรรลุช้าถ้าเพียรเพียรมากก็เจ็ดวันเพียรช้าก็เจ็ดปี เอายังไงดีเอาเจ็ดวันนี้ว่าเจ็ดปีนี้เพราจ่ายคะถ้ามันรูุ้แล้วก็แบบว่าก็ไม่ไม่ก็มันก็ใช้ชีวิตทางโลกไม่ได้แล้วใช่ไหมค่ะอาจารย์ก็เราก็ใช้ทางโลกอยู่ทั้งวันนี้วก็เจอแบบคนโน้นคนนี้อยู่นะคะอ่าเป็นอี๋ยวเราไม่ต้องไปทํามาทําหากินไปเป็นแม่ชีแล้วมีคนเมียมันก็มีคนมาหามีคนมาหามีคนมาเยี่ยมมีคนมา ขอความช่วยเหลือสั่งสอนธรรมะอะไรไปก็เป็นวิธีอีกอีกรูปแบบให้ชีวิตแบบอาจารย์เป็นครูอาจารย์สอนธรรมะไปนีิไม่ได้อยู่เฉยเฉยหรออันนี้เป็นตัวแบบก้าบกึ่งคือจะไปทางธรรมเยอะๆก็ยังห่วงพวงทางโลกอะไรเนี้ยคะาา่ะพระอาจารย์ยังต้องไปเลยไม่ต้องทางโลกมันมีแต่ทางโลกมันเหมือนบ้านมันไฟไหม้อยู่ยไป จะไปอยู่ในบ้านทำไมรีบออกจากบ้านเถอะเดี๋ยวไฟแก่ไฟเจ็บปลายตายมันก็จะมาแล้วยังไม่ห่วงอะไรอย่ง ม, มันพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ แ, แล้วมันจะรู้ว่าเรากำลังอยู่บ้านที่กังไปกำลังจะไหม้อ ย, ยังไม่ห่วงบ้านรีบเราเร่งีบออกจากบ้านเถอะไปอยู่ที่มันปลอดภยัย ค่ะอาจารย์อยู่ไปทํา่ไปทำงานโลกนี้มันมีอะไร ห, หน้าอยู่โลกของอนิจจังทุกขังหน้าตาไมันก็บอกเลยนะโลกของความทุกข์ค่ะแล้วอาการที่เราเบื่อคนมากๆอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์มันครับถ้าถ้าเบื่อแบบไม่เกลียดชังก็โอเคถ้าเบื่อแบบเกลียดชังก็ไม่ถึงเบื่อเพราะว่ามันไม่มีสาระมันไม่มีประโยชน์อะไรกับเราก็ไม่ทําไปยุ่งกับใครดีที่สุด หรืออยู่กับคนที่เขาฉลาดกับเราเก่งกับเราอันนี้เราก็จะไม่เปื่อพาเราจะได้เรียนรู้จากเขาเราจะได้รับประโยชน์จากเขาพระเจ้าบอให้คบบัณฑิตอย่าไปคบคนง้อคนง้อมันน่าเบื่อพูดแต่เรื่องไม้สาระเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องดื่มเรื่องราบเรื่องยศอะไรนี่น้าเบื่อเราคบกับคนที่เขาพูดธรรมะอย่างนี้มาที่นี่มาอาร บ, บัณฑิตนมาคุยธรรมะกัน ค่ะพระอาจารย์ค่ะคือเบื่อได้แต่อย่าไปเกียรติชั่งเพราะเรื่องไปทุกข์กับความเบื่อเบื่อพราะว่ามันไม่เบื่อด้วยเหตุด้ผลไม่ไ ด, เดเ้เบื่อด้วยอารมณ์อืมเบื่อจนแบบบางทีไม่อยากทํางานเลยค่ะพระอาจารย์เหมือนเพราะว่าทํางานมันต้องยุ่งกับคนนะคะ ม, มากๆดีเบื่อแบบ น, นี้ดีจะได้เราออกจากงานได้ยิ่งเบื่อมากเลยมันก็จะได้ออกจากงานได้ ผมเกือบแล้วค่ะพระอาจารย์เนี่ยปิ่มๆแล้วค่ะปิ่มๆิมระพุทธจ้าก็เบื่ อ, อวา ง, อ, างออกจากวัางไปแ ล, แล้วลูกก็ฝันนะคะขออนุญาตเล่าแป๊บหนึ่งนะคะพระอาจารย์วันนี้นก็ฝันว่าคือล่องเรือค่ะคณะคณะที่ทำงานลูกค่ะเขาก็จะอยู่เรือลำใหญ่ แล้วลูกก็อยู่บนแพรคนเดียวแพรอันเล็กๆพอดีตัวแต่ว่ามันมีสายเชื่อมกันอยู่แล้วปรากฏว่ามีเรือสีขาวลำใหญ่เลยมาจากไหนก็ไม่รู้ลอยลอยขึ้นมาฟ้าแล้วก็ล่วงลงมาทับสายเชือกตรงนั้นของลูกขาดไปเลยอะ่ะ<ม>แล้วก็กลายเป็นว่าลูกแพรลูกอะ่ะมันก็วิ่งไปบนน้ำเชี่ยวอยู่คนเดียวเลยค่ะผาจา์แล้วลูกก็แบบเฮ้ยจะไปถึงไหน ไปแบบบนน้าเที่ยวลูกก็สักพักลูกก็เริ่มรู้สึกบวงเวงแล้วก็รู้สึกกลัวก็เลยเอามือหากวักน้ําเข้าไปเข้าริมตะลิ่งแล้วก็พยายามที่จะเดินจับมาหาเรือที่เป็นชนะที่ทํางานลูกค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปกับเขาอะค่ะก็ลูกก็เลยนึกขึ้นมาแบบตอนนั้นเราฝันว่าเวลาถ้าเราหอ่อเราห่อแล้วถ้าเราไม่ไม่พุ่งขึ้นไปเลยไม่ตัดสินใจพุ่งขึ้นไปเลยแสดงว่าเรายังมีความกลัวตายอยู่ แล้ววันนี้เนี่ยเราไปกับน้ําเชี่ยวเรากลัวตายหรือเปล่าเขามาเทสเราแบบใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะลูกก็คิดไปแนวนั้นนะคะพราจารย์เหมือนแบบเอ๊ะกับไม่ผ่านอีกเนาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะว่าทําไมไปกับเรือไปคนเดียวลําเออไปคนเดียวในน้ําเชี่ยวแล้วเราไม่กล้าอะไรเงี้ยค่ะพรอาจารย์มันเป็นการพิสูจน์จิตอย่างหนึ่งหรือเปล่าคะพอาจารย์ก็มันก็ยังบอกว่าเราเราอยากกลัวก็ไม่กลัวอย่างไรค่ะ กลัวก่แบ่ตอนนันรู้สึกกลัวแบบมันมันกลัวแบบมันมันกลัวแบบว่ามันไม่รู้ว่ามันจะไปไหนอย่างนั้นมากกว่าค่ะพระอาจารย์แล้วมันมีความวางเวงอ่ะค่ะมันมีความวางเวงเพราะมันคนเดียวอะค่ะพระอาจารย์แล้วไม่รู้ว่าจะไปไหนเพราะน้ำมันเชี่ยวมันพาเราไปเร็วมากเลยค่ะไม่ต้องแล้วมันจะไปไหนก็ไปกับมันแล้วนะรอบหน้าค่ะรอบหน้าพระอาจารย์อะไรก็เกิด ไม่ไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืนยอมหยุดเย็นไปมันไปเลยค่ะพระอาจารย์ลู้ความเข้าใจคะ่ะไปไปเขื่นมันไปขืนไปเผยไปสูป้มันจะทูกข์ทรม า, าใจใช่ไหม<า>มันจะอาไปไหนไปเลยไหให้มันลุ้นน้ำล้นบ้ไปก็ได้ค่ะพระอาจารย์นีเ่เรียกวปล่อยว า, างการชีวิตชีวิตมันจะไปไหนก็ปล่อยมันไปค่ะ มันก็หนีไม่พ้นแก่เจ็บตายมันก็ต้อไปเท่านั้นค่ะพระอาจารย์เดือนหน้าก็ไปไปไปต่อไปทุกเดือนเดือนมิสซาได้ตั้งหกวันนะคะพระอาจารย์โอเคดีมากค่ะโชคดีได้ค่ะพระอาจารย์นับขอนับน้อมค่ะพระอาจารย์อย่าลืมความเพียรนะระดับความเพียรไว้มากค่ะพระอาจารย์ยิ่งทำยิ่งมากยิ่งดีค่ะพระอาจารย์ ขอบพระคุณยังสูงค่ะพอาจารย์ถึงคุณครับพี่สุรา ธ, ธานีเป็นยังไงนมัส ก, การครับก็ อ, อยู่ข้านอกฟังฟังคำครับก็เข้าใจธรรมะครับบางอย่างก็ทำได้มากบางอย่างก็ทำได้น้อยแล้วก็ก็เบื่อสิ่งที่เป็นอยู่แบบ ที่ต้องเกี่ยวคนเบื่องงานเบื่อแบบแบบแบบพี่อาจารย์พูดนะครับอ <c oughs> <c oughs> ืก็ก <c oughs> ็ถ้าเบื่อเพราะเห็นว่ามันเป็นเป็นทุกข์มันไร้สาระมันเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ก็เรื่งนี้บิดาเบื่อแบบแต่ถ้าเบื่อเพราะว่าเออเบื่อแล้วมันทุกข์ยางนไงก็ไม่ใช่บิดางราใช่เพราะว่าแบบอ๋อไม่ค่อยมีใครแบบว่า ทำมาก็พูดเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องที่บ้านก็จะแบบอืมอะไรเงี้ยครับยิ่งนี้เข้ า, ขาม า, ม า, ม า, กกาบ้านอะไรเงี้ยด้วยบ้าบ้านกลางพูดง่ายบ้านรูปเซียงกินบ้านอะไต่างเครับก็คือบางวันเราก็สมาธิดีก็ได้ภาวนาบางวันก็คือคืออารมณ์อารมณ์ทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงครับเบื่อเบื่ออารมณ์ด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันไม่ได้มันก็ ผมบอกไม่ไม่บอกภาพอะไราดไม่ถุกผครับมันเลยคุณมันมันไม่สนใจนรื่คุณธรรมเรื่องศีลเรื่องทานไม่เคยพูดถึงนะไรใช่ไหมใช่ใช่ไม่เคยนะครับคือโลกของความมื่นบ่อยรีบรี่บอกมาเถอะจะไปอยู่ในโรกอย่างนี้หรือจะพาเราบอดไปด้วยเดี๋ยวก็จะดูต่อนก็ไปถ้าพกใครไม่ได้ก็อยู่คนเดียวอย่างนี้ยทํางานของเราไปกินอยู่ของเราไป นั่งสมาธิไปดีกว่าดีกว่าเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีธรรมะเพราะจะดึงเราลงต่ำเนี่ยโอเคนะ okay, นะดีอะไรไหมไม่ดีนะก็ขบคุณโอเคไปที่ครูนาวิดานาวิดาใช่ไหมถูกไหมอยู่ที่ไหนตามธรรมาสการหลวงตาเจ้าค่ะอยู่กรุงเทพเจ้าค่ะ ชื่อลวลามิดาใชลื่อลามิดาเจ้าค่ะลามิดาีอะไรไหมเออเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกคนะ่ะแต่ว่าติดตามเพจหลวงหลวงพ่อมาสักสักพักหนึ่งอนะค่ะแล้วก็เลยวันนี้เห็นลิงก์ก็เลยเข้ามาดูจะ ม, มีเรื่องจะมาสอบถามพระอาจารย์นะคะว่าคือหนูเนี่ยปฏิบัติมาสักพักหนึ่งอะค่ะได้ประมาณหนึ่งปี เข้าใจการปฏิบัติธรรมคิดว่าเข้าใจเกือบหมดจนถึงขั้นตอนนี้เห็นทุกเห็นทุกขั้นตอนเห็นการเกิดทุกทุกขั้นตอนแล้วก็เห็นปฏิจจสมุบาทหมุนอยู่ที่กลางอกนะแล้วก็พอมันทุกตอนแรกเนี่ยมันสุขค่ะตอนแรกมันสุกสุขแบบไม่อิงอามิตรแล้วพอสักพักนึงก็เห็นข้างนอกทุกคนเป็นทุกเห็นทุกหมดเห็นมองใครก็เป็นทุกหมดเลย โลกนี้มีแต่ความทุกข์ค่ะแล้วสักพักหนึ่งมันก็เข้ามาที่จิตจิตนี้ก็เป็นทุกข์แต่เราก็เห็นแต่ว่ามันทรมานมากค่ะแล้วตอนเนี้ยก็รู้สึกว่าผ่านมาสักพักหนึ่งตอนเนี้เห็นจิตว่ามันมันเฉยเยตอนเนี้มันเฉยเฉยแล้วก็มีความเอ่อขอโทษค่ะก่อนตอนที่เป็นทุกข์เนี่ยหนูมีความเบื่อหน่ายที่เหมือนที่พระอาจารย์บอกคือหนูก็หาข้อมูลในกูเกิลนะคะว่ามันคืออาการอะไร ก็คือเป็นนิพพิธาที่บอกนะคะว่าเบื่อก็คือเบื่อจริงๆแล้วก็พอผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาตอนนี้มีความอุเบกขาเลยอยากจะสอบถามพระอาจารย์ว่าคือหนูไม่อยากอยู่กับคือเข้าใจทุกคนที่เปรตธรรมว่าจะไม่จะเห็นทุกคนว่าไม่เขาจะไม่พูดเรื่องธรรมะเจะไม่ได้อยู่ในศีลแล้วเราก็ไม่อยากอยู่ใกล้ค่ะทีเนี้ยตัดสินใจอยากจะอยากจะบวช แต่ว่าคือตัวทั้งหมดทั้งใจเนี่ยไม่ไม่กลัวอะไรแล้วจิตมันเริ่มอยู่กับปัจจุบันนะะไม่มีเริ่มไม่ไปอดีตเริ่มไม่ไปอนาคตแต่ว่าอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าถ้าเป็นแบบนี้จะปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องบวชได้ไหมคะเพื่อไหร่แต่เราอยู่ที่บ้านก็บวชก็ปฏิบัติได้ถ้าเราอยูกคนเดียวไม่จาเป็นต้องบวชใช่ไหมคะไม่จำเป็นในระดับ ต้นตนๆถ้ามันถ้ามองระยะยาวแล้วมันบวชบันดีกาเราจะได้มีอ ม, มีมีระบบคอยดูแลเราต่อไปเรา้าเราอยู่คนเดียวต่อไปเราแก่เราจะไม่มีใครดูแลเราแต่ถ้าเราอยู่ในระบบในระบบก็จะดูแลเราอย่างมาเป็นพระนี่ก็พอามาอยู่ในระบบแล้วเดี๋ยวพระก็ช่วยกันดูแลกันไปพระนุ่มมาช่วยดูแลพาะแก่ไปอะไรทำนอง ถ้าเราอย่คนเดียวใครจะมาดูแลเราเราไปคือตอนนี้มีความกังวลใจคือหนูก็มีก็มีจริงๆมีชีวิตคู่สมรสอยู่ซึ่งสามีก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันแต่ว่าเขายังไม่ได้ถึงขั้นนี้เจ้าค่ะคือยังไม่ได้เกิดนิพานนิพพานเอานิพพิธาแล้วก็ยังไม่ได้เห็นทุก์เขาก็เลยจิตใจ ย, ยังไม่ได้ถึงขั้นตั้งมั่นขนาดนี้แต่ว่าของหนูเนี่ยคือมันไม่เอาโลกแล้วค่ะ มันพร้อมที่จะสละทุกสิ่งแต่ว่าคือเป็นห่วงทั้งแม่ทางแม่เขาก็เป็นห่วงว่าถ้าไปเป็นแม่ชีตอนเนี้ยในอนาคตมันจะลําบากหรือเปล่าเนี่ยค่ะแต่ตัวเราเนี่ยไม่ไม่กลัวอะไรแล้วลทีนี้อยู่คนเดียวจะลําบากกว่าต่อไปอืมเพอาะต่อไปเราแก่ลราแก่คนอื่นคนนอกข้างก็ตายไปอะไรไปแล้วเราคนเดียวค่ะ แต่ถ้าเราไปอยู่ในระบบอยู่ตามวัดอยู่ตามอะไรนีน่มันจะมีเพื่อนสาทำดิกับมาดูแลกันได้มาช่วยเหลือกันเว<ม>ลวเรา<ช>จะได้ทำประโยชน์ให้กับคศาสนาได้ด้วยมันก็จะได้มาพึ่งพาเราถ้าเรามีความด้ียอะไรเจ<ช><ม>้าค<ม>่ะแค่ถ้าจะไปทางทางที่ไปไ ป, ไปบวชทีที่สุด แม่พระมติเจ้ายังขอบวชไหมขอพระเจ้าบวชเป็นเทสุนี่ค่ะอาจารย์แต่ถ้ายังไม่พร้อมไว้ปฏิบัติที่บ้านไปก่อนก็ได้<ต>ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ที่ว่าไปไปอยู่เข้าระบบดีกว่าคือทางครอบครัวเขาเห็นว่า อ, อ๋อคือเขาสนับสนุนนะเจ้าคะ่ะแต่ว่าเขาเห็นว่าควรจะทําที่บ้านแต่ว่าอยู่เป็น คู่นี่แหละแต่ว่าไม่ไม่คือเป็นถือสินแปดค่ะคือแยกกันอยู่คนละหลังแต่ว่าถือสินแปดคือเหมือนกับว่าไม่โ อ, อ้แล้วมันอยู่ด้วยกันทําไมถ้าไม่ ม, มีอะไรกันล่ว <c oughs> เดี๋ยวมันก็ <c oughs> เกิดเกิดอารมณ์ขึ้นมาสีลแปดก็ขาดได้มันอยู่ใกล้เลยมันก็เข้าประตูทํางประตูก็ไปไหมอื้อ อารมณ์นี้อย่าไปเชื่อว่ามันไม่ร้ายกาดนะถึงเวลาเกิดขึ้นมาดีวันเราที่ทำอะไรเสียหายก็เพราะอารมณ์นี่ท้นั้นนะค่ะแล้วทีนี้มีสอบถามอาจารย์นิดหนึ่งจ้าว่าคือหนอูศึกษาธรรมะมาที่บอกว่าคารวาดหรือว่าแม่ชีที่ปฏิบัติไปจนถึงขั้นอรหัตผลนะคะท่านจะ เ, เสียชีวิตช่วงระหว่าง ถ้าถ้าถ้าเป็นคารวาสอันนี้เป็นจริงหรือเปล่าไม่จริงไม่จริงหรอกร่นางกายมันไม่ได้มาตายเพราะเป็นธาตุอาหารทตายไม่เกี่ยวอะไรหรองแต่ว่ามันมีเหตุ ก, การณ์ที่มีคารวาสพรบรรลุธรรมแล้วตายไปเนี่ยพาะพระเจ้าตายเจ็ดวันก่อนตายก็บรรลุเป็นธาตอาหารแล้วก็ตายไปเนี่ย น, น, นั้นองนพ่อก็าเลยบอกที่ตายพอไม่ได้ดุนไม่ใช่นะท่านจะตายอยู่แล้ว นอนป่วยบนเตียงกันแล้วคุณเจ้าไปโปรดไปโปรดให้ได้บรรลุเป็นพาาระเหรอเกิวันก่อนตายเขาก็เลยบอกเนี่ยที่ตายเพราะเป็นไม่ได้บวชมันยิงกัเป็นพระอรหรันต์นี่ก็ถือว่าบวชแล้วเอย่อนนะการบวชที่แท้านยิงก็คือบวชที่ใจบวชเป็นพาาระอ ร, ร, ริยบุคคลนี่เป็นพระแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วบวชร่างกายมันเพียงแต่คนหัวของพระเหลือนั่น ผ้าเลืงกับการโกนหัวมันทําให้คนวิเศษที่ไหนไม่ได้มันไม่ได้ว่าป้องกันชีวิตของใครได้เนี่ยป้องกันไดใ้ใครจะตายก็รี บ, ร, บรีบเอาพ้าเหลืองไป่มให้เขาเให้บวชแล้วจะได้ไม่ตายไม่เกี่ยวกันหน่อยค่ะเจ้าค่ะตอนนี้ตอนนี้ได้คําตอบทุกสิ่งแล้วเจ้าค่ะวันนี้ที่เขาตั้งใจมาฟังแล้วก็อยากได้คําตอบจากครูบาอาจารย์ว่าการตัดสินใจ จะถูกเข้าใจว่าถูกทางนี้ประเสริฐแน่นอนเจ้าค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามีทางเลือกอื่นไหมถ้าเกิดว่าจะอยากจะไปแต่ว่ามีทางเลือกที่ที่ไม่ต้องจำไม่ต้องไปอยู่วัดร้อยเอร์เซ็น่ะไม่มีหรอกคนที่บวชคนที่บรรลุแล้วถ้าไม่ไม่ได้บวชเขาก็ไปบวชต่อใช่เขาไม่นู้เขาไม่รู้จะอยู่ในโลทําไมเที่ยวเขาก็ไปเที่ยวหนังเขก็ไปดู แต่เจ้าไม่มีแล้วก็จะไปอยู่ทําไมไม่สนุกเหมือนชาวโลกเจ้าค่ะไปเที่ยวไปเที่ยวที่ร้านที่เราชอบตรงไหนก็ไม่สนุกเจ้างานงานก็ไม่อยากจะทำแล้วไม่อยากจะยุ่ะเงินก็ไม่อยากจะมีแล้วแล้วมีอยู่ทางโลกไปทำไมใช่เจ้าค่ะก็ไปอยู่กับโลกเดียวกันเนี่ยพวกพี่เขาไม่นอนไม่ต้องทาเงินไม่ไม่ไม่สนใจกันเรื่องพราะราบรื่นสลับสนส่งสช่ถูเธอ โอเคนะก็ถ้ายังยังไม่พร้อมก็อยู่อย่างนี้ไปก่อนปฏิบัติไปก่อนแต่มันอวันวันใดวันหน่งมันก็จะรู้ตัวเองมากว่าควรจะไปเมื่อไหร่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุาาาไปที่คนนุเดวรัตน์จากฮอลแลนด์ and, ใช่ไหมฮอลแลนด์ H and, หรือเ่าแอมสเตอร์ดัมนั่นอยู่ที่ไหนเมือมอะไร าามาทการค่ะพระอาจารย์ารคมรสักอยู่ที่ไหนอยู่อัมสเตอร์ดัมหรออยู่ที่ดัฮอยู่ค่ะอยู่ใกลอ้กล อ, อัมสเตอ<ะ>ร์ดัมค่ะพระอาจารย์กอัมสเตอร์ดัมอันนี้มีคำถามได้กลับมาพวกตะวันครับมีคำถามอ๋อชื่อนะตะวันคเด็กชือ่อตะวันค่ะพระอาจารย์ตวันเอ่อมอแกมีหนึ่งคำถามคำถามมอแฟล่าชอมผมกลงัง ถึงถึง น, น อ, นอผมก็มีแช็บ้อมากแล้วก็ปวดหัวผมต้องทำอะไรแ้่ถ้าเราก็จะได้สมาธิได้ครับสมาธิรักษาโรคทายในแคเจ็บร่างกายไม่ได้ถ้าไม่สบายก็ต้องหาหมอหายาทางร่างกายใจก็ไม่ทุกกับมันนั่นเองอยากไปทุกกับความเจ็บของ่างของร่างกายไฟมันเจ็บไป ถ้ามีสมาธิใจก็ังไม่ทุกข์เวลาร่างกายเป็นอะไก็เฉยๆแต่ร่างกายใช้ให้มันหายก็ต้องไปหาหมอหายามกินสนใจไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พอเป็นไม่สบายแล้วนั่งสมาธิก็จะหายมันไม่หายนะแม้แต่พระพเจ้าก็ยังไม่หายเพราะว่าเจ้าก็ยังต้องเจ็บไข้ได้ปวย เหมือนคนเหมือนคนธรรมดาร่างกายของของพระพุทธเจ้าก็เหมือนร่างกายของพวกเรามันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันแต่ใจของท่านไม่เดือดร้อนไม่ทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายแม่แม่มีคำถามว่าคือว่าหมามีคำถามครับแต่ว่าของตะวันเรื่องที่ว่าลงเรียนเป็นยังไงบ้าง เ, าเราให้พระอาจารย์ฟังได้ไห ม, ม, มเพื่อนแล้งหนูสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วหนูหนจัดการยังไงบ้าง จากการอารมณ์ตัวเองยั้างรครับเราให้พระาจารย์งโก้ชันก็พูดรับฉอดใจซะมีไหมลูกมีเพื่อนแก่ไหมคะสัปดาห์นี้ลูกไม่ไม่มีเพื่อนไม่รู้ไม่มีไม่มีเพื่อนแก้มีเพื่อนมาโยโมโหไหมครับใช้นิดนึใช้งานบ้างแล้วหนูแล้วหนูทำอย่างนี้ลูกบอกอาจารย์ที่พระอาจารย์สอนแล้วหนูเอาไปใช้ ย, ยังไงบ้างครับลองโก้พูดมนาะ เดินห น, นีเหรอเดบอกผู้จางเดียวเร า, เาให้ผู้จางฟัเออฉันไม่รู้จะโชว์ยังไม่รู้หรอกอันไม่เราให้ผูาจ้ย์ฟังก็คือเขาบอกว่าที่หลังจากที่ผู้จ้างสอนเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าเวลาที่เพื่อนมากแกล้งหรือยุมโมโหนเนี่ยแล้วก็เขาลองเอาไปไปฏิบัติดูก็คือว่าเดินหนีหรือว่าไม่ตอบโต้ก็ช่วยได้บ้างผู้จ้า์ช่วยได้โอเคเน ในใจก็เราท่องพุทโธไปเลยเวลาเดินนีพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวใจเราก็จะเย็นสบายไม่เดือดร้อนท่องพุทโธไปไหมท่องพุทโธได้ไหมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปนะแล้วเดินนี้อย่าไปมีเรื่องอะไรอย่าไปมีอะไรกับเขา ไหวเขามาไปเขาไมจะพูดเขาจะทำอะไรเขาเรื่องของเอขาไปอืมนะมีวิธีแก้ลอขอวิธีแก้ลืมื<อ>มสร้อยข้อสองรอบกันทีู่<อ>ถามได้ไหมก็แล<อ>้วกันที่ดูลืมสร้อยข้อสองรอบแล้วขอวิธีแก้ลืมเอ้าใชอถ้า<อ>ผมมีพิมพ์ผมก็ลืมสร้อยพระ สองข้อแล้วช่เออรเขาอวิธีแก้ลืมค่ะอาจารย์ก็ต้องจาบ่อยๆเนีคิดบ่อยๆของตรงนี้อยู่ตรงไหนคอยถามตัวเองอยู่เรื่อยๆของนี้อยู่ตรงไหนของที่เราชอบเรียก็คอยคอยถามตัวเองอยู่เรื่อยๆนี่ตอนนี้ของงนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนถามคอยคอยคิดอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะไม่ลืม หนูล응ืมชื่อหนูว่าหนูชื่อตะวันนึงเอเล่เออลืมชื่อด้เหรอไม่ล anyway> ืมลชื่อไม่ลืมหน่อยาหนูคิดถึงชื่อหนูอยู่เรื่อยๆะหนูชื่อตะวันผมชื่อตะวันก็ไม่เื่นต้องเลบ่อยๆคิดถึงมันบ่อยๆแล้วมันก็จะไม่เล่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า คือตั้งแต่เด็กนะคะพระอาจารย์ก็จะพาเข้าไปสุสานนะคะก็คือสุสานที่นี่ก็ไม่ไม่ไมน่ากลัวนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองแล้วก็ตอนที่หนูไปหนูเล่าให้พระอาจารย์ฟังซิลูกว่าใไปแล้วหนูรู้สึกยังไงบ้างเออเออจริง <laughs> เล่าให้พระอาจารย์ฟังซิลูกไปแล้วเรเห็นอะไรบ้างใจง่ได้สงบไหมใช่สุนะสโดโต่แล้วเห็นไหมมีคนตายเยอะแยะเลยเห็นไหมมีแต่คนมีแต่คนแก่ไหมครับที่ตายลูก สอนะอาจารย์มอยมอญเขามีแบรบีดลโวก็อ่านใช่ไหมมอญภาษาสันสันแค่น้องเราให้ภาษาสสว่าไปสูสานแล้วเห็นอะไรบ่าเห็นมีคนตายเยอะเยอะเยะเลยใช่ไหมอืมใช่มีแต่คนแก่ไหมไม่มีมีด้วยมีเด็กไหยเด็กเด็กปัตะวันมีไหมใช่มีเราให้ภาาสนก็พาเข้าไปสุสานมาค่ะพาสานตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็ไปก็คือให้เขา เห็นว่าแพ็กจะให้เ้ามองใป้ายป้ายชาติกับมรณะนะคะให้เขาดูว่าเนี่ยอายุเท่าไหร่ใช่ ใ, ใช่ค่ะอาจารย์เขาก็ไม่กลัวแต่ว่าคือแต่ว่าเราก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะคะว่าเออพาพาไปอย่างเนี้ยครับเพราะว่าคนอื่นเขาก็ไม่เข้าใจค่ะว่าทําไมถึงต้องพาไปถ้าส่วนใหญ่เขาก็คิดว่าเป็นเรื่องแบบไม่น่าจะให้เด็กรับรู้ตรงเนี้ยค่ะก็เไม่ได้เล่ทางทางทางคนสมัยใหม่เขาคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะรู้ ใช่ค่ะก็เลยไม่ได้เล่าอ่ะยังอย่างคุณคุณปู่คุณย่าก็ไม่ได้เล่าให้เขาฟังค่ะเพราะเขาเมาเดี๋ยวก็จะหาว่าเราบ้าใช่ค่ะพระอาจารย์เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเขาจะพูดว่าทําไมจะต้องสอนเด็กอะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งมันน่ากลัวอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้พูดอะไไปก็ฟังฟังเขาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ตอบตัอะไรไปเราพาลูกไปเจอเลยนอนแล้สติดีแล้วแหละเลยได่รู้ว่าชีวิตมัน มันไม่ไปตลอดนะค่ะมีมันสิ้นสุดลงมันจะได้เตรียมตัวเตรียมใจได้ดีเรื่องราวนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่ อ, อนไปพูดกับคนที่ไม่รู้เรื่องไม่ได้ะบอกไม่ได้จริงๆค่ ะ, ะ <c oughs> ไม่ได้จริงๆค่ ะ, ะ <c oughs> ดีที่ว่าคุณสามีเขาเห็นด้วยเหมือนกันก็เลยอเลยง่ายต่อการแบบพูดจาอะไรแบบนี้ค่ะเห็นปัญหาเดียวกัน่ะก็จะง่ายคุยง่ายค่ะทัศนคติเดียวกันค่ะพระจ่าดี โอเคถ่าคอยสังเกตดูท่าไหนสอนก็าล้วมันเกิดเกิดเขารับไม่ได้ไปก็ต้องต้ององเบาๆลงก่อนค่ะพระจา่าค่ะแล้วก็รับได้ก็ไม่เป็นไรค่ะพระจา่าอือมีท่องไหม น, นะอาการ32ใช่ไหมเออช่อ๋อมีส่งกันบ้านคะ่ะพระจา่าที่ว่าพอาจารย์ให้กัน บ, บ้านตัวเล็กไปท้องอาการ32ลองเร้ามาดที่มอะไรบ้างร่างกายของหนูมีอะไรบ้ เออใช่ไหมทั้งทั้งหมดแต่ฉันรู้นิดหนึ่งถ้าาท่านยได้กันะคโอเคผมขนและฟอมนังเนือแอนกระดูกยีนกระดูกแตหัวใจจะังคุดอาหาอดใช่ไหมใช่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเอ่อน้าดีน้าแฉลบน้าเหลืองน้าเลือดเอ่อน้าเงิอน้ามังคดน้าเอ่อชื่ออะไร น้ำน้ำเล็วน้ำน้าน้าลายน้ำมูกเอน้ำไข่ข้อน้ำมูดนาเออเยอะในสเออเยอะในชม้น่โอเคเก่งมากเราเห็นภาพไหมเห็นเห็นนารกาเหล่านี้บ้งไหมว่เป็นยังไงยงไม่ฮะยังไม่เห็นจะอยากจะเห็นไหมยจะรู้ไหมอืมใช่เราให้แม่เปิดหนังสือให้ดู อาการที่อยู่ข้างในที่มองไม่เห็นด้วยต่อเนื้อมันปิดไว้เช่นดูปอดเราที่เป็นยังไงหัวใจเราเป็นยังไงเอาภาพวาดก่อนไมนะ่ได้ค่ ะ, ะ, ะพระอาจารย์ค่ะค่ ะ, ะาอาจารย์ที่อัมสดาม น, นี่จะมีดิทัศการนะคะที่ว่าเป็นมิวเซียมของบอดี้เวิลด์นะค ะ, ะที่เป็นร่างกายแล้วก็จะเป็นแบบ แห้งๆแล้วก็โชว์ไว้แบบเนี้ยค่ะว่าถ้ามีโอกาสจะไปดูด้วยได้ก็พาไปดูส่่วนสดๆของของจริงๆอะไรก็ได้ของจริงๆเลยค่ะพระอาจารย์นีแต่เขาไม่กลัวนะคะแต่น่าสนใจอยู่อ่ะอต้องต้อ ง, ต, องต้องดูกาลังของเขาว่าเขารับได้ไหมนะสนใค่ะมีท่านนี้ใช่ไหมท่านนี้หาพระอาจารย์มีอะไรไหมอ๋อก็คือว่าของโยมเองค่ะพระอาจารย์ก็คือว่า เออโยมอยากสอบถามว่าตั้งแต่ปฏิบัติธรรมนะคะ อ, อยู่ๆเนี่ยมันก็ไม่อยากที่จะฟังเพลงขึ้นมานะคะพอาจารย์คือมันมันไม่อยากเลยนะคะแต่โยมก็ไม่ได้ค่ะแต่โยมก็ไม่ได้พิจารณานะคะว่าการฟังเพลงมันไม่ดีเลยแบบเนี้ยค่ะเมื่อก่อนตอนตอนดูดฝุ่นทํางานบ้านนะคะจะใส่หูฟังแล้วก็ฟังเพลงแบบว่าเพลงแดนน์และแบบนี้ค่ะจะได้แบบคึกคักพลังแต่หลังจากนั้นเนี่ย ไม่รู้สึกอยากทําเลยค่ะเพราะจะรู้สึกว่ามันมันน่ารําคาญมากกว่านะคะ อ, อันตรพ้พอเลยค่พราจิตเาอาจจะมีความสงบมากขึ้นก็เลยการฟั เ, ออพเพลงมันก็เลยไปเป็ไปรบกวนความสงบของเราค่ะทั้ท ง, ทงทั้งที่โยมก็ไม่ได้พิจารณานะคะว่าการฝั่งเพลงมันไม่ดีมันเป็นของมันอัตโนมัตินะคะภาษานที่ว่าความอยากมันไม่อยากเลยอืมใช่พอจิตเาแล้วมีความสงบมากขึ้นอะไรความอยากในรูปเสิยงกินแล้วมันก็จะน้อยลงไปเรื่อย มันเกิดความอิใใ่มใจขึ้นมาค่ะแต่ทีวีพวกหนังก็มไม่ได้ดูแ น, นะคะนานๆจะดูทีหนึ่งค่ะดูกับแล้วกใช่<ๆ>มันมันมันเฉยๆมันมันดูด <ๆ S 1> ือม <ๆ S 1> กับควาสมสงบมากกว่า<ๆ>ค่ะดีเข้าไปถูกทจแต่ว่ค่ะแต่ว่าเรื่องเรื่องทานอาหารบางทียังแบบว่ามีอารมณ์อยากไปทานนอกบ้านแบบบรรยากาศแบบนี้อยู่ค่ะพระจันทเรื่องเรื่องรสชาติ <ๆ S 2> ยังยังมีอยู่แต่ยังไม่หมดยังน้อยลงแต่ว่ายังยังมีอยู่ค่ะยังไปอยู่ค่ะาษาจัน ก็ค่อยๆลอกมันไปก็ได้ค่อยๆอนึกถึงอาหารที่เข้าไปในปากเนอะดูรูปร่างหน้าตามันดูหน้าดูแม่เวลามันอยู่ในปากพขาล<ฮ>ะค่ะส่วนดีต้องพิจารณาใช่ไหมคะมันจะไม่เกิดขึ้นมาเองใช่ไม่เกิดขต้องนึกภาพขึ้นมา <ฮะ S 2> อาหารที่เข้าไปอยู่ในท้องเนี่ยมันน่าดูไหมเนี่ยมุสาประดิบประดอยแทาเป็นแทบตายบนจานพอเข้ามปในปากแล้วมันเป็นเป็นสภาพไปทันที รูปร่างหน้าตามันเปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะค่ะแล้วก็เรื่องชอบสาวพระจ้า่ะพลาไปแล้วก็เรื่องชอบของนิ่มๆอย่างนี้ยค่ะพระจาเรื่องการสัมผัสของนิ่มๆอะไรแบบนี้ค่ะยังยังมีอยู่อันนี้ต้องพิจารณาว่าอย่างไงคะคิอว่ามันเป็นความฝุ่นชั่วข้าวอันหนึ่งเป็นของชั่วข้าว ถ้าชาวเรามันจะติดแล้วเราไม่ได้สัมผัสมันก็จะรู้สึกหนาวรู้สึกเศร้านะยังติดสุดตรงนี้อยู่ค่ะหนูหนูตัวเองอ่ามันไปเจนแล้ว่ามันของไม่เที่ยงค่ะพอาจารย์โอเคเลยนะโอเคทุกอย่างมันไม่เที่ยงหมดนะรูปเสียงกีดลวดเหมือนกันทั้งหมดถ้าไปติดมันเนื่องเราเวลาไม่ได้เสร็จมันมันจะเศร้าเหมือนคล้ายๆเป็นเหมือนยาเสพติด ค่ะก็ค่อยๆทําไปใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าคือถือว่ามาถูกทางเราใช่ไหมคะใช่ว่าบางส่วนมันมันลดความอยากลงไปเยอะมากเออมันส่วนไหนไม่ลดก็พยายามบังเข้าห้มันลดก็ได้บอกว่ามันไปติดกับมันทำมันมันเป็นความสุขอาหารก็เป็นความสุขแค่บลายลิ้นเท่านั้เองพอเกิเข้าไปแล้วมันก็หมดนะนะโอเค เพราเวันนี้ท่านๆๆ <S <S ีพระรา่อโคค่บ้ท่านต่อไป <S 2> <S 2> ที่คุณบาลีบาลีใชุ่ตรากาศใช่ไหมใช่ค่ะกลับลงพ่อค่ะหลวงพ่อหนูก็ยังปฏิบัติปฏิบัติ <S <S ทุกวันอยู่ทุกวันทบให้เข้มข้นไปเรื่อยๆถ้าที่จะทำได้กลับมอะไรได้ยินหนูไหมคะ ได้ยินไนค่ะหลว ง, งหลวงพ่อคะมันมันมีความรู้สึกว่ามันอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาค่ะลหลวงพ่อแล้วเหมือนเยงหัวใจมันมันมันไม่เหมือนปกติเราจะไม่เคยได้กินอะไรแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้มันมันเป็นเกือบทั้งวันเลยค่ะลหลวงพ่อ ก็ได้แสดงของสติเราดีนะกันถือว่าสติเราดีเมื่อก่อนเราใจเราไปสนใจเรื่องอะไรมันก็เลยมองไม่เห็นเราใกล้ตัวเราตอนนี้เราสนใจเรื่องอะไรมันก็อยู่ใกล้ตัวเราเราก็ลยเห็ไม่มีอะไรวิเศษวิเศทอะไรหรอกค่ะมันมันรู้สึกว่ามันมันเหมือนไม่ปกติอะค่ะหนูเพรามันมันเหมือนมันมันจะชดมันจะล้างที่เราอยู่แบบ เหมือนจะเข้าสมาที่ถู่ตลอดเวลาอย่างเนี้ย่ลวงพแล้วมีอยู่วันเนึ้อค่ะหลวงพ่อมันเห็นมันเห็นหัวใจตัวเองอ่ะมันมันเต้นแบบจนจนหนูตกใจแล้วหนูก็แบบดูอีกครั้งหนึ่งตกใจทําไมล่ะก็ดูเฉยๆไปเลยมัน<อ>มันจะเป็นอะไรก็ดูเฉยๆไปตกใจธนาเป็นกิเลสนะคือคือหมายถึงว่ามันเห็นได้ ที่หมูสนใจคือว่ามันเห็นได้จริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยสมมติแล้วหมูก็ดูดูอีกมันมันแค่เห็นก็เห็นก็เห็นไม่มเห็นมีอะไรต้องไปตื่เต้นแปลกประหลาดที่ไหนหัวใจมันก็อยู่กับเราตลอดเวลาคือปกติมันไม่ไม่เคยเห็นแบบนี้เขาไม่เห็นเพรว่าเราไม่ไปมองมันเขาไม่เห็นเลยค่ะเราไปมองอย่างอื่นแทนมันก็มองไม่เห็นในตัวนี้ก็ให้ถือว่า ก็เหมือนกันก็เหมือนกับรูปสิ่งจิตลวดที่เราเห็นนก็เป็นของธรรมดาเป็นตายรับไปอันนี้จำทุกครังแล้วหน้าตาไงค่ะแล้วแล้วทีเนี้ยถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าเราจะนั่งให้เห็นกระดูกของของตัวเองอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อก็ต้องเล่นภาพขึ้นมาต้องเล่นภาพขึ้นมาดูภาพกระดูกบ้า้า หนูเอาเอาลูกกะโหลกมาดูแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่ถึงยังไม่เข้าก็ต้องเนื้อไปบ่อยต้องบ่อยๆใช่ไหมคะก็เราถลอกหนังหน้าราออกไปสิถ้าหน้าเรานี้เป็นเหมือนหนังมันเป็นเหมือนหน้ากาะคูดกระโหลกเราไม่ใช่เนาะกลกศีรษะเราไม่ใช่เราก็ต้องถลอกหนังมันออกไปหนึ่งคือต้องดูดูบ่อยๆดูเยอะๆดูต้องคิดบ่อยๆอย่าน้นมันจําได้ แล้วน่าจมันจำได้มันนอาจําชื่อคนใช่ไหมยจงคนทำไมเรานิกถึงชื่อเขาทันทีเลยนะวนนี้ชื่ออะไรแต่ไม่เคยนึกถึง<อ>กระหลกศรีรษะเขาเลยนะเ<อ>พราะเราไม่ได้นึกมาก่อนเราไม่คิดมาก่อนมันก็มองไม่ต่อไปเราสุกมองไเรื่อยต่อไปมองใครมองกระหลกศรีรษะเขาด้วยใช่ไหมกระโหลกศรีรษะเขาก็มาร์กหน้าเขาไม่ใช่ไห<อ>ใช่ไหม แต่เราไม่คิดมันก็เลยมองไม่เหนราไม่มองเราไม่มองกระโหลกศีรษะมันก็มองไม่แต่ถ้าเราจะมองมันก็มันก็ต้องเห็นไยเพราะมันอยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่ข้างหน้าเราเราไม่มองไม่ไม่นึกมันมองด้วความด้วยความคิดไงอ่าเพราะมันมองด้วยตาเนี้อแม่มองมองไม่ได้มองไม่เห็นดอกทานเนี้อเพราะหนังมันหุบมันมันบังไว้อยู่แล้วแล้วอย่างเนี้ยถ้าเกิดเหมือนเราคิดมากๆมันไม่ได้ เห็นพอความคิดหรือเปล่าคะหลวงพ่อ่าก็เรเห็นด้วยความคิดแต่มันจะเห็นเรื่องอะไรนะปัญญากด้วยควานคิดไงสัมมาทิฏฐิเนีคิดถูกไงหนูหนูก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วมันถ้าคิดแบบเนี้ยแล้วมันจะเป็นปัญญาอย่างไงหนูเลยตัดส่วนอ่าเป็นปัญญาว่ามันน่าเกลียดไงมันจะได้ไม่ไม่ได้จะได้ไม่ไปรักน่างายนี้ว่ามันสวยมันงามตื่ให้มอง เหนความจริงอยู่ข้างในแบบนี้นใช่ไหมหงกอเ็นความจริงว่าร่างกายจะได้หายหลงกันจะได้ไม่ต้องไปจัดประกวดนา ง, งามประกวดไดยแบบกันเพราะมันก็ประกวดตหลกศรีรษะดีแน่ไม่แน่อ่ะอ๋อพอมาถานั้นแหละจะไปเป็นแน้บไม่เห็นกันใช่ไหมเวลาประกวดนางงามที่เห็นโอ้ยน้าวันนี้สวยผิวเนียน มันได้มองเข้าไปข้างในใช่ไม่ได้มองใต้ผิวหนังเลยอยู่ติดกันแท้ๆมองไม่เห็นผิวบางๆผิวไม่กี่เซนเนี่นะไม่ถึงเซนใช่ไหมความหนามันแต่มันเปิดบางได้หมดเะเป็นบางอสุภทั้งหลายที่อยู่ในร่างกายได้หมดมเขาบอกว่าร่างร่างกายเราเหมือนกระเป๋าหนังใช่ไหมหน <c oughs> ังมันหุกมห่อเอาไว้ยังว่าต่างๆไม่ เมันถุงใช่ไหมคะใช่มืนถูงมันถูงมันถูกมือนกระเป๋านะแล้วมันมันก็มันก็หุ้มห่อกระโดดกระโหลกอะไรทุงอย่างเนี่ยอาการสาขที่สองที่พูดนี้ยเอยี่สิบเจ็ดอาการที่อยู่ข้างในห้าอาการอยู่ข้างนอกเราไม่มองกันเองใช่ไหมเราไม่คิดกันเองก็เลยบอกว่าร่างกายนี้สวยแล้วข้างในควรจะทึบไม่มีอะไรใช่ไหมก็คิดว่ร่างกาย ร่างกายมันทึบมหมเนี่ยใต้ใต้ผิวหนังเราเนี่ยมันทึบหปล่ามันจะเป็นผิวหนังเว้นเต็มร้อยตลอดเลยหรือเปล่าทั้งตัวหรือเปจะเป็นไม่ใช่ใช่มันกลวงไงมันมัมนมีมันมีของมันเป็นของมันจุอยู่เนี่ยมันไในถุงถุงถุงใบหนึ่งถุงถุงที่ทําด้วยหนังด้วยเนี้อก็มีทั้งของ เหลวของอะไรทุกอย่างนใช่ที่เราขับถ่ายออกมาอยู่นี่เลยก็มาจากข้างในนี่นะไม่ใช่คอาหารใหม่อาหารเก่ากินเข้าไปอาหารวันนี้ก็เป็นอาหารใหม่อาหารเมื่อวานนี้ก็การเป็นอาหารเก่าก็ขับถ่ายออกมาแต่มันแต่มันก็ยังตั้งกินยังมีกินเหลวในการกิน <laughs> ก็มันคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆเรไปเวลาเถอะอย่างที่กินอาหารมันก็มันกินอาหารใหม่อาหารเก่าทั้งนั้น ในเวลาข้าวมื้เวลาอาหารเก่ามานี่ตอนนี้เราพิซซ่านี่ละของโปรตมันมาอยู่นี่เองก็ไม่ก็ไ ม, ไม่ดูก่อนนี่เพราะถ้าไม่ดูอะของมันพิจารณาได้เลยไม่พิจารณามันก็มองไม่เห็นเลยอ่านักปฏิบัติมันต้องดูทุกอย่าง <laughs> ดูดูแล้วก็ไม่กินก็ดีเลยมันจะได้ไม่อย่างไมันจะได้ไม่อ้วนองมันจะได้กินเพราะมันหิวจริงๆไม่ได้กินเพราะความอยากกินค่ะหลวงพ่อต้องต้องหัดไปดูเยอะๆค่ะหลวงพ่อก็เลยพิจารณาในปฏิคูนอาหารเวลาอยากที่กินอาหารไนี่ให้พิจารณาความเป็นปฏิคูนของอาหารความอยากมันจะได้หายไปจะได้กินแบบกินยากินแบบกินเพื่ออยู่ไม่ได้กินเพื่อกินเพื่อดับความหิว แต่ไม่ได้กินพความอยากกินกินเพราะชอบรสอาหารชอบอาหารกินเยอะๆกินเท่าไหร่ก็ไม่กินก็ยังไม่ยอมหยุดแล้วแล้วถ้าเกิดแบบเห็นแล้วนู่นก็อยากอันนี้ก็อยากอันนี้มันมันก็คือเป็นปัญหาอย่างนี้แรือเปล่าคะหลวงพ่อใช่ก็เป็นปัญหาัแนั้นอะถ้าอยากเหมืนกินยาเราอยากกินเลยกินยาหมอกให้อะไรมาก็กินกินเข้าไปไม่ไปเลือกเอาเม็ดนี้เม็ดนั้นไม่เอาไม่ให้ อ่าห้องหนงจะอึดเยอะๆค่ะลองดูดูลองดูโครงกระดูกทั้งโครงให้ได้ตั้งแต่หัวลงไปถึงเท้าเลยกระโหลกศีรษะลงไปถึงทังตัวเวลาเห็นร่างกายของกายเห็นไหมถามตัวเองเห็นไหมเห็นไหมเห็นหรืยังเวลามองม อ, อ, องหน้าเราในกระจกเห็นด้วยยังเห็นของที่อยู่ใต้ผิวหนังไหง ก็เห็นเห็นว่ามันไม่สวยอะค่ะหลวงพ่อมันเปลี่ยนแปลงมันไม่เหมือนเดิมเห็นดูใต้นี้ค่ะแต่ให้เห็นเห็นใต้รู้นะไม่เห็นเห็นของที่อยู่ข้างในเห็นได้แเราเนื้อไบ่เนื้คิดไบ่ไม่จะเห็นแค่ไม่เห็นต่อไปมันจําได้มันก็มาจําสุดคูณได้นะเอทําสุดคูณได้พอเนื้นสองคูณสองได้เท่าไหร่สี่ทันทีใช่ไหมหนูจะพยายาม ไปฝึกดูค่ะหลวงพ่อดูบ่อยๆดูบ่อยๆคิดบ่อยนึกบ่อยๆต่อไมันก็จะจําได้เนี่ยเขาเรียกพิจารณาการพิจารณาทางปัญญาพิจารณ์นี่ค่ะตอนนี้หมมีประมาณนี้ค่ะหลวงพ่อจะไปฝึกเยอะๆค่ะหลวงพ่อโอเคจะับไปได้คุณนายแพทยาคุณนายแพเชิญก่อนหน้ใช่ไหมนายของผแล้วจะขาดได้ไหม กลาวธรมะส ก, การเจ้าคะ่ะได้ยินไหมเจ้าคะได้ยินอาจารอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์โยมมีครั้งแรกเจ้าคะ่ะโย ม, น, มยนั่งสมาธินั่งสมาธิเจ้าคะ่ะจะกล่าวเรียนถามการนั่งสมาธิสองวันเมื่อวันที่สิบเจ็ดกับวันนี้เมื่อเช้าเจ้าค่ะของวันที่สิบเจ็ดเนี่ยโยมนั่งแล้วตอนแรกติดรวมนะเจ้าคะ่ะแล้วความคิดเรื่องธรรมะที่เคยอ่านมาหุดขึ้นมาแล้วก็เลยเกิด เหมืนเกิดปิติเกิดความสุขแล้วก็อุเบกขาเจ้าค่ะโยมก็อยากจะกราบเรียนทานอาจารย์ว่าอย่างนี้มันใช่อับปัญหาไหมเจ้าคะถ้าปัญหาไม่มีอะไรผุดออกมันต้องนิ่นว่างเฉยๆถึงจะเปดำปัญหาอ๋อต้องว่างเฉยๆนะเจ้าค่ะจะไม่มีความคิดใช่ไหมเจ้าค่ะมันอาจจะคิดขึ้นมาได้ก็แสดงว่ามันยังไม่สงบเต็มที่แล้วนี่ยังมียังมีวิตตกวิจารอันถึงปรากฏความคิดต่างๆนะคะ อันนี้แค่จิตรวมเฉยๆใช่ไหมเจ้าคะก็เริ่มรวมนะเริ่มรวมไปยังไม่เต็มที่เจ้าคะ<น>่ะ แ, แล้วเมื่อเช้านี้ของของเมื่อเช้านี้ตอนเช้ามืดอ่ะเจ้าค่ะโยมก็นั่งตอนแรกโยมคิดว่าจิตจะไม่รวมก็เดินจงกรมพักประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เริ่มนั่งแต่มันรู้สึกว่ามันสบายมากนั่งนั่งสบายหายใจก็สบายช้าแล้วจิตมันก็คิดว่า สัญญาณหายไปแล้วเสียงหายไปมือถือมันก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าอยู่ต้องที่สัญญาณมันไม่ค่อยดีอะไรที่มันขาดขาดห้หายไปตอนนี้ฟรีสแล้วครับอาจารย์เดินไปก่อนนะนะเ๋ยถ้ากลับมาหม่เข้าว่าอะไรใหม่ไปที่คุณตายตอนที่อยู่เมืองไหนนะยังอยู่อินเดียอยู่กับไปกลับถึงไหนมาแนละ้ว น้องกาลรัชกาลค่ะอาจารย์อยู่ในปานค่ะเพิ่งข้ามด่านมาวันนี้ท้ระหดอดทนค่ะอาจารย์เป็นุมพินีนะด่านละเมื่อจุดแรกนะใช่ค่ะวันนี้วัดอ่าพักที่วัดไทยสักยะลุมพินีค่ะอาจารย์ไม่ไปต้องไปต้องหลายวันเพิ่งมาถึงอินเดียเพิ่งมาถึงในปานก็ก็ยมไปแวะตรงไหนนะตรงไหนนะอ่าดงโพอ่ะ ต้นโพพ่อจันหนูเราไปจุดได้ที่ต้นโพสามวันค่ะที่ตัะรู้ก่อนที่ตัรู้ใช่ค่ะพ่อจันแต่โยมนั่งเหมือนกับเขาไม่ได้เพราะว่าโยมคิดในใจว่าเราสติยังไม่พอเพราะว่าเสียงเสียงเขาสวนมนกันเยอะมากเลยโยมก็คิดว่ามันมันมันอึ ก, กระเทึกแต่ก็รู้สึกว่าไปแล้วก็ปิติแล้วก็ปืป้มในในในที่ได้ได้เห็นเขามาศรัทธา จากทั่วโลกเลยค่ะพระ อ, อาจารย์เราเกิดศรัท ธ, ธามากขึ้นไหมในพระพุทธธรรมในพระพุทธธรรมทั้งสองใช่ค่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าศรัท ธ, ธามากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าถ้ากลับไปถ้ากลับไปอ่ะก็คงจะจะพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นตอนนี้โยมก็ถือศีลอยู่นะคะ<ช>ถือศีลแปดตั้งแต่วันที่มาตอนนี้ก็ยังถืออยู่ยังไม่หลุดแต่วันเนี้ยมันจะมีที่นอนสูงๆอ่ะค่ะพระอาจารย์ แต่ก็เข้าไปกราบถามครูบาที่พานท่านนํามาระวันนี้แล้วยมจะนอนยังไงคือแบบคือเมื่อคืนนี้โยมสูงต่ำไม่เป็นไรคอยมันคอยมันแข็งแล้วะเราตัดคอยมันไม่สบายเนี่ยมันค่ะมันแคบค่ะไม่สบายครับอาจารย์ได้อยู่เนาะเพราะว่าพันโยมจะมีปัญหาแข็งแข็งแต่มันไม่ได้อยู่ทีสูงที่ต่ําำนบอยู่ที่ว่ามันแข็งมันไม่อมันมันนุ่มแล้วมันมันแข็งถ้ามันนุ่มก็ไม่ดีนต้องแข็งค่ะ ก็พยายามปฏิบัติอยู่แล้วก็เอาข้อธรรมหลายๆอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนระหว่างทางแล้วก็เอาไปคิดพิจารณาดูตลอดนะคะ่ะพระอาจารย์ที่วัด เ, <ใน S 1> เราไปอยู่ที่ที่วัดเราไปอยู่ที่เป็นวัดอะไรของของสายไหมีหลายวัดไม่ใช่อ๋อมีหลายวัดนะคะพระอาจารย์ยมก็ไม่รู้ว่ายมก็มาเป็นครั้งแรกเนะี่ยเพิ่งมาเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยคะ่ะขนกระเป๋าเพิ่งเข้ามา แต่ที่โยมที่คณะของที่ครูบาอาจารย์ของโยมพามาเนี่ยเป็นพระป่าสายธรรมยุตนะคะพระอาจารย์ก็เลยไม่รู้ว่าคนที่น้องน้องน้องไกด์เขาเขาจะพาไปอยู่วัดอะไรยังไงเพราะว่าในบรรยายตรงเนี้ย ม, มันมีแค่นิดเดียวตอนนี้ที่อยู่นี่ก็เป็นที่อยู่นี่ก็เป็นวัดเหมือนกันบบที่ลุงไปใช่ไหมใช่ค่ ะ, คะอยู่เป็นวัดค่ะพระอาจารย์ เป็นวัดวัดที่ในป่า น, น่ะมีคนมาอยู่เยอะไหมมีคนมากันเยอะนะก็ <c oughs> เยอะอยู่นะคะพระอาจารย์เขามีกับข้าวให้กินด้วยเขาทํากับข้ราให้เราให้เรากินด้วยอรัพระอาจารย์คืนนี้พระทึ้นี่สองคืน<ม>เดี๋ยวก็จะโผล่กลับไปทางไหนหนูก็ไม่รู้เนะ <c oughs> แต่ก็ดีใจใค่ะได้เข้ามาเข้ามากราบพระอาจารย์อยู่ตอนแรกอยู่บนรถอยู่เลยพระอาจารย์หนูต้องรีบเข้าเพราะว่า น้องเขาบอกว่าต้องรีบเข้านะสองทุ่มยอมดูเวลาแล้วยอมยังไปไม่ถึงว่าเลยทําไงแบตก็จะหมดแต่โชคดีมาถึงสักพักหนึ่งก็ได้ขึ้นมาบนห้องก็เลยได้เสียบชาร์จแล้วก็ได้ได้เข้ามากราบพระจารย์นะคะในที่อินเดียนที่ชา้ากว่าเมืองไทยครึ่ ง, งชั่วโมงใช่มหนึ่งชั่วโมงเอ่อชั่วโมงครึ่งหรือเปล่าพาาระอาจารย์เนี่ยตอนนี้ยี่สิบจุดสามห้าค่ะพระอาจารย์ยี่สิบจุดสามห้า อันดียี่สิบจุดห้าูนย์นงุนงเ น, นี่ยสามห้าอ๋องั้นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งครัอาจารย์ยี่สิบอ่ายี่สิบจุดห้าศูนย์ันก็พยาพยามพยายามพยายามปฏิบัติแล้วก็ฝึกตัวเองให้อยู่กับคนหมู่คณะให้ได้แล้วก็อะไรที่เห็นก็ดูความดูความ โอ้เขาเขาอยู่แบบเหนื่อยกว่าเราเยอะเลยอะค่ะพ่าอาจารย์ถังีนคนยากของเราเนี่ก็ต้องค่ะให้คนยากจนเยอะนะทีนเดี่ยใช่ค่ะพ่าอาจารย์เดี๋ยแทบไม่อยากจะเกิดเลยค่ะผ่าอาจารย์หัวได้มาเกิดประเทศนี้มากเลยหัวจริงๆอะผ่าอาจารย์หัวพักตังเนี่ยจะให้ทานเนี่ยยมต้องเอาพอจะให้ปุ๊บนะผ่าอาจารย์ อูขึ้นมากันแบบโอ้หนูต้องลดตังใส่กระเป๋าอ้เพราะว่าเดี๋ยวปวดท้องก็เลยทานในใจของเราทันเลยไม่ได้พระอาจารย์ใจเราเลยแป้วว่าโอ้อะไรเนี่ยเขาเขาแย่งกันมากๆเลยแต่ว่าใจเราจะเป็นทานสักหน่อยเนี่ยได้แค่ใบสองใบพระอาจารย์นอกนั้นไม่ทันพวกเขาพวกเขามากันเร็วมากๆเลยโยมก็เออถ้าคนไหนทันก็ทานคนไหนไม่ทันก็ เท่านั้นก็แล้วกันอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ครูบาอาจารย์บอกว่าวันนี้ฝึกขันติบารมีกันนะเพราะว่าอยู่ที่ด่านนี่หนังมากๆเลยค่ะพระอาจารย์ร้อนก็ร้อนฝุ่นก็ฝุ่นทุกอย่างนี่เจอโอ้โหทุกลูกแบบเลยความความไม่สบายอยู่ตรงนี้หมดเลยค่ะพระอาจารย์จากที่เคยสบายแล้วไม่สบายคะก็ก็ฝึกไงค่ะพระอาจารย์เราก็ม <c oughs> าฝึกฝึกค่าฝึกอยู่กับคนหนุมากด้วย นายยมก็ฝึกว่ายมทำได้หรือเปล่าถ้าวันใดวันหนึ่งได้บวชจริงๆขึ้นมายมจะทำได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ยังไม่บวชนะคะพระอาจ <c oughs> <c oughs> ารย์เพราะพระอาจารย์ที่นี่ก็บอกว่าปาอยู่ที่นี่สักเดือนหนึ่งไปบวชเป็ผพระในป่านยวก็บอกว่ายยังยังยังไม่การละป่ก <c oughs> อันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะมาช้างมาช้่คุณพ่อคุณแม่ก็มาใส่มาครับคุณครนใช่ไ ค่ะค่ะสาธุเรเห็นรูปอยู่ค่ะเขาไม่ต่อยส่งมาให้ผู้พันก็ส่งมาให้ดูอยู่ค่ะที่บ้านไม่ได้ส่งนะคะผู้พันต้องส่งมาให้ค่พระอาจารย์ที่ไว้สนกให้เกิดศรัทธาเยอะๆนะไว้เกิดศรัทธาเยอะๆค่ะพระอาจารย์กลาวขอบพระคุณค่ะสาธุคุนจิที่มาดวแล้วได้ยินไหมการธรมารกาค่ะพระอาจารอย่านะคะโยม ยมขอกลับมาจาันค่ะอาจารย์ได้ยินยมไหมคะได้ยินท่าเจีอ๋อค่พะพอดียมเปลี่ยนหูฟังใหม่ไม่แน่ใจว่ามันได้ยินหรือเปล่าท่านดีท่านดีค่ะสบายดีนะคะพระอาจารย์อ๋อเพ ร, ระวาวันนี้นวันนี้ทำงานอยู่ไหมะทำงานคะ่ะวันนี้ช่วงนี้ยุ่งมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นช่วงทําภาษีของประเทศนี้คะ่ะเขาจะทําแบบ ภาษีบุคคลภาษีธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะไป mm hmm. ไปเงียบบางทีก็คือสิ้นเดือนเมษาค่ะ mm hmm. ตอนนี้ก็เลยแบบแล้วลูกมาไม่สบายอีกยมเลยแบบโอ๊ยผัดกันนะลูกอันพี่เป็นน้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นอย่างแบบเอกยมก็ไม่ค่อยสบายตัวยมก็เลยมานั่งมองอันนี้เนาะคงเป็นช่วงที่เรามานั่งมองทุกขเวทนาจริงๆเนาะแบบสังขารเราจะอยู่อีกนานไหมเมื่อคืนยมเลยแบบมันเหมือนปิง้งขึ้นมาอะไรแบบ โอ oh, แค่เราอายุ 40, 40กว่านี่เรายังเจ็บแบบกระดงกระดูกทั่วไปหมดเลยแล้ว เ, เหลือเวลาไม่มากแล้วโยงก็เลยนั่งสมาธิเมื่อคืนแบบนั่งจิตใจอะมองข้ามความเจ็บปวดไปเลยค่ะคะอาจารย์แบบเออจะเจ็บอะไรก็เจ็บไปฉันจะนั่งสมาธิแล้วจะไม่สนใจดี <laughs> มันไห <c oughs> สมาธิจะทําให้เราไม่ไม่ทุกกับความเจ็บไายได้ป่วยได้ค่ะมันเหมือนกับมันมันมันเหมือนมันนิ่งว่ามันก็ เหมือนเราอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่มันไม่ได้อยู่กับกายเราอะค่ะบริสัน์ใช่อยู่ในโลกทิศครับเป็อยู่ในโลกทิศค่ะพอแต่พอแบบว่า<ม>พอลูกลูกทําลูกสาวเขานอนหยับโยมีคะแล้วลูกเขาไม่สบายว่าทำเสียงปุ๊บโยมเลยแบบอ่ะไปแล้วติตกลับมากลับ <c oughs> มาในโลกนี้อีกลกลับมาในโลกของร่างกากลับมาอีกแล้วว่าพอ<ม>พยอมกลับมาปุ๊บอา้า ความรู้สึกเข่าเจ็บมาอีกแล้วเราก็อ๋อเออโอเคเอาไม่เป็นไรก็เจ็บก็เจ็บเจ็บได้แค่ไหนก็เจ็บไปอะไรอย่างเงี้ยครับ ม, มันก็ทําให้เราเกิดความพยายามมากขึ้นนะคะพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะอยู่ได้ไม่อีกกี่ปีคิดไปอย่างนี้เลยนะคะว่าความตายมันอยู่ตรงหน้าแล้วนะอะไรดีดีมันจะเลียนนอนนู่นสติเยอะเลยมันจะเรีรออนนรนเยนทำอะไรต่ตอไประมาณค่ะแต่ยมทําอสุภะยังไม่ได้นะคะมองไม่เห็นอะไรแต่แค่คิดว่า ถ้าวันนี้เมื่อวานก็ถามตัวเองถ้าวันนี้เราตายไปเราพร้อมไหมยมก็ตอบตัวเองว่าพร้อมนะแต่จิตเราจะแกว่งไหมตอนเราแบบออกไปเลยอย่างเงี้ยก็คือแบบโอ้นั้นเราก็ต้องฝึกสมาธิฝึกสติมากกว่านี้หน่อยอะไรอ่าเงี้ยค่ะอก็ก็ก็โอเคก็ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วมากนะคะถ้าถามเรื่องว่าตายแล้วพร้อมไหมอะไรอย่างเงี้ย ค, ค่ะอฟังทํำบ่อยๆแล้วใจก็จะเข้ายอมรับกับความเป็นจริงไปเรื่อยๆค่ะ พระอาจารย์คะแล้วถ้าตอนนี้คือใจโยมมันนิ่งนิ่งนิ่งมากเลยแบบนิ่งนิ่งแบบนี้แปลว่ามันเหมือนเหมือนหินทับญ้าหรือเปล่าคะหรือว่ามันนิ่งจริงๆอะคะพรก็ต้องดูเวลาเจอเจอเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาว่าจะยังจะนิ่งต่อหรือเปล่าถ้าไม่นิ่ง<อ>ก็แสดงว่ามันยังเป็นหินทับย่า ย, ย่ายังไม่มีปัญญามันยังแับปัญญาได้ยังไม่เต็มที่ใช่ไหมคะก็ต้องเกิดอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นเราจนิ่งได้หเปล่าก็ นิงน่งนิง่งนิ่งได้ประมาณสิบวิแล้วก็ต่อล่ ะ, อ, ะ <laughs> อยากปีขึ้นมาก็แล้วกันถ้าปีขึ้นมาก็ยังไม่นิ่งเล ก, ก็ไม้ค่อยกี๊แม่คะแต่วันนั้นที่วันอาทิตที่เราคุยเรื่องพระจันว่าโดน knock out ไปแปดนับแปดวันนี้ก็เอาคิดว่าอาจจะตอนนี้นับนับสามอยู่นะณนาอาทิตย์นี้นะคะยังนับสองนับสามอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องซ้อมเลยคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เวลาเห็นคนที่เพิ่งเกิด เหตุการณ์อะไรต่างๆเพื่อมันย่อนกลับมาที่ตัวเราจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้ใช่ค่ะมันก็เลยมองแบบว่าก็พยายามสอนลูกทุกวันให้ดีแล้วก็ทําได้เท่าที่ในฐานะถ้าเป็นแม่ก็เหมือนที่คุยกับพระจําพ์พอปีที่แล้วเอออาทิตย์ที่แล้วคุยว่าเออเราก็คงมีลูกหลายคนมาแล้วเนาะก็เลยมันมันเลยแบบเออมันเป็นเหมือนอีกระดับหนึ่งที่เราว่าเออเราก็ตัดเรื่องความบุคคลทางโลกของลูกได้ดีขึ้นมานิดนึงค่ะอ เรา ว, วก็ต้องจากกันแล้วไม่มีใครอยู่ด้วยกันเป็นตลอดใช่ค่ะก็เลยวําหน้าที่ในโลกนี้ในฐานะแม่ในฐานะลูกในฐา น, า น, ฐานาอะอพุทธศาสนิกชนให้ดีที่สุดค่ะถ้าได้มีโอกาสก็ถ้ายังไม่แก่เกินไปก็หวังว่าคงจะได้บวชที่ไม่รู้เขาจะได้รับกันหรือเปล่าแตบแก่ไปแล้วหกสิบเขาไม่ให้บวชที่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์หนะ้าสิบหกสิบเองค่ะใช่ มันไม่ไแน่เราอยู่ที่ว่าเราทำเราทําตัวได้หระอเปลถ้าเราทําตัวได้ไม่ไปเป็นภาระกับใครก็บูดได้ที่ก่อนเราอยู่กาลังของเราถ้าบวชเราไปไปไปรบกวนคนอื่นไปยุ่งกับคนอื่นเขาคงไม่<ช>อยากให้เราบวชนะใช่ค่ะโยมก็คิดอยู่ว่าตอนนี้เราแบบเออถ้าเรามีปัญหาสุขภาพเอออยากไปเป็นภาระคนอื่นดีกว่า ทำปฏิบัติที่บ้านไปดีกว่าถ้าถ้ามันเป็นถึงขั้นนั้นนะคะเขาก็ไม่ปวดเขาก็ไม่ปวดให้เราอยู่ดีถ้าเราไปเป็นพระจะไม่พึ่งลูกลูกแบบบอกเอไม่เป็นไรหรอกอย่าไปพึ่อย่าของเขาก็มีชีวิตของเขาวันที่เรามีชีวิตของเราอะไรเงี้ยค่ะค่ะวันนี้มีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะยินครับอนุโมทนาสาธุในบุญบารมีพระอาจารย์นะคะที่ปวดต้อง สี่สิพันษาแล้วขอให้พระอาจารย์ได้อยู่กับลูกหลานไปนานๆนะคะลูกศิษย์ค่ะสุาธุค่ะไปที่คุณบีต่าบีอยู่ที่ไหนบีน้ำมัสการค่ะอาจารย์อยู่ที่ไหนจ้าอยู่ซิดนียค่ะโอ๊กเก็ค่ะคือที่แล้วหนูเข้ามาถามที่หนูบอกว่า ช่วงที่โดนจงโกงนันหนูเห็นร่างข้างในอะค่ะอาจารย์บอกว่าจะมีสนใจมันเธอคือคําถามที่จะถามคือเมื่อวานเนี้ยเอาฟูสตอรี่นะจ๊ะสมมุติว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหนูทํางานแล้วเพื่อนอีกแผนกหนึ่งเนี่ยหนูเขาหยิบน้ําให้สองคนใช่ไหะหนูก็เลยถามบอกเฮ้ยไหนของฉันล่ะตอนหนูก็พูดว่าเฮ้ยแวสไม้อะไรเงี้ยเขาก็ชี้นิ้วเขาคือเขาเอามือขึ้นมาก็แปลว่าฟักยูลักษณะเนี้ยหนูก็ไม่สนใจหนูก็เดินไป แล้วเพลงนี้เมื่อวันจันทรเนี้หนูไปหารถในบริษัทในคันแล้วก็รถเดินไปอยู่แผนกตรงนั้นอีกก็ไปเจอไอ้ตานี่อีกเขาทําหน้าทำตาแบบไม่สนใจหนู่าไม่สนใจหนูก็ขับรถออกมาแล้วพอเสร็จก็วันจันทร์จรันตอนชาตานจานนอนกัางคืนนะคะรู้สึกเลยกายทิพต์ออกจากตัวจะออกจากตัวหนูแล้วตอนเมื่อวานวันหังคันใช่ไหมคะแล้วพอดีกายทิพต์เข้ามาหนูก็ตื่นพราะเขาเข้ามาแบบว่า ร้องไห้มาแบบร้องไห้อย่างหนักแล้วเขาก็มาบอกหนูบอกว่า <c oughs> คืออันนั้นอ่ะหนูไม่เห็นเพราะว่าหนูได้ยินเสียงเพราะาหนูนอนอยู่แล้วหนูก็บอกว่าจะไปไหนมาแล้วกายที่ก็บอกว่าเออเขาดีมากเขาเป็นคนดีมากเขาเป็นคนดีมากบอกหนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยช่างแม่งเหอะอะไรเงี้ยฉันกําลังนอนอยู่ <c oughs> เขาร้องไห้จนแบบว่าหนูตื่นเลยนหนูจนต้องหยุดยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะหนูก็ดูเวลาเธอมาปลูกฉันนั้นเนี่ยหนูก็เลยแบบอยากถามพระอาจารย์ว่าเราสามารถคุมกายทิพได้ไหมคะที่แบบ ช่วงนอนเนี่ยไม่ให้เพ่นพลาดหรือว่าเราจะต้องทําจิตกําหนดสติในการนอนด้วยคะหรื อ, อยังไงคะอาจารย์เราต้องใช้สติควบคุมใจเรายอย่างอื่นเราควบคุมไม่ได้รทําใจให้เราแน่นแล้วกันเนาพยายามแต่เวลานอนมันแต่เวลานอนหลับนี่มันจะสติไม่ค่อยไม่มีหรือเปล่าคะอาจารย์เวลานอนหลับมันไม่มีสติอะไรจะเกิดก็ลงเกิดอ๋อแล้วควบคุมจิตไม่ได้ไม่ได้แล้ว เราควบคุมได้เฉพาะเวลาที่เราตื่นแต่ถ้าเกิดว่าเรากําหนดจิตให้อยากให้กายทิพย์อยู่กับเราตลอดเวลาคือเราต้องภาวนาออตลอดเวลาไม่ยากไม่ได้หร อ, อกไม่อยาก อ, อยากแล้วเดี๋ยวจะทุกข์เพราะเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาจะอยู่ไม่อยู่ไม่เรื่องของเขาเอเขาเป็นอนิจจ์ทุกครังอนัตตาอนิจจ์ก็คือไม่แน่นอนอนัตตาก็คือควบคุมกไม่ได้ ถ้าเาอยากอยากให้เขาอยู่กับเราถ้าเขาไม่อยู่เราก็จะทุกข์อยา่าอย่าไปทุกข์กับเขาปล่อยเขาไปก็จะมาก็าจะไปเขาป่อยเราทําใจให้เราสงบแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนใช่มีพุโทโธพุโทโธไปแล้วค่ะอาจารย์ไหม<ะ>อยู่ที่ท า, า น, า น, นอาจารย์ยังอยู่ยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะอ่าได้กลับมาบ้าน้กลับมาเมืองไทยบ้างไหมปะ กลับทุกหกเดือนค่ะกลับทุ ก, กเดือนหนูก็เพิ่งกลับมาเมื่อ December, เมื่อนธันวาที่ผ่านมาแล้วก็จะกลับเมืองไทยอีกเดือนมิถุนายนกลับทุกหกเดือนแ ล, แล้วได้ไปที่วัดที่ที่นีมน้มากกว่าวัดธังศรีวัดธังศรีอือหนูเป็นเลยคขาก็แต่เป็นนุ่อนหนูเป็นเลยคขะที่วัดที่สมเด็จพระสังฆราชอยู่ใช่ค่ะเป็นเลาวัดประวันวัดประวันไมใช่ใช่ วัดที่ท่านอยู่ใช่ที่สมเด็จพระสังฆราชอยู่อ่ ะ, ะหนูเป็นเลยค่ะถามมา ก, ก่อนแล้วพอโควิดลงปั๊บหนูก็หยุดเลยหนูก็ออกหนูก็ไม่ทำหนูก็ไม่ไปไอืมีท่าอยู่เอยอะไหมนี่เดี๋ยวสามลูกอาจารย์จะมาไหมคะสามลูกก็ไม่ไม่ไปครั <c oughs> มี3า <c oughs> ลูกค่ะไปแค่นี้ก็พอเลยไปทางซูงสบายกว่าอาจารย์มีคำแนะนำอะไรมั้ยคะ ถ้าฝึกสติฝึกสติเยอะๆลดความอยากเนี่ยประหยักับอะไรไปล่อยให้ทุกอย่างมันเกดแต่พอมันเองไม่ต้องมายุ่งกับ ม, มัน อ, อ๋อเราควบคุมเขาไม่ได้ใช่เราควบคุมเราไม่ได้มันดึงคาดการ์ดเราเป็นเหมือนดึงคาดการเราควบคุมก็ไม่ได้เราควบคุมใจเราดีกว่าถ้าทำใจใ้เราเฉยๆแล้วเราแต่เราจะได้สบายนะหายใจ เข้ค่ะขอบคุณค่ะอ่านนีก้ก่อนนะมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะขอบคุณค่ ะ, ะไปที่คุณสามยอสามเมะไรสามยอสามยอสี่ยอยามหยุดเย็นแล้วก็ยิ้มค่ะก็ค่ะแบบพระอาจัรค่ะเวลายทำด้วยหน้าที่นะเจ้าคะ่ะเป็นเอไเงี้ยค่ะเวลาเราเห็นพนักงานทำผิดเงี้ยแต่ว่าหนู หนูดุเนี่ยหนูในอาทิตย์เนี่ยหนูหนูนั่งนับเคสอยู่หนูดุไปประมาณสี่ห้าคนแต่ละแนนครบหมดเลยแต่ว่าในใจหนูคือดุเพื่อแบบเพื่อยับยั้งเขาให้เขาทำปฏิบัติตามกฎซึ่งในใจอ่ะเรารู้แต่ว่าเด็กเขาก็กลัวไงคะอันนี้มันมันก็ใช่มันอยู่ในข้อยอมหยุดเย็นไปจ้ามันเป็นหน้าที่ันเป็นเป็นพระเดชการปกครอคนมันก็จะไมทั้งพระเดชม่ทั้งพระคุณเป็นการสับอนขา มเวลาเขาทาผิดถ้าไม่บอกเขาเขาก็อาจจะไม่รู้เห็นดาว่าอย่าใช้ด้วยใช้อารมณ์สอนเขาเ่ยอย่าไปโกรธเวลาเห็นเขาทาผิดตอนตอนั่งทันเข้ากลางวันเวลาหนููกคนน้องคนหนึ่งอะเขาก็แอบมองหนูแล้หนูก็หันไปแล้วหนูก็ยิ้มให้เขาบางทีใช้ย่อที่สี่พราจารยะเขาก็เลยแบบเหมือนแบบใจชื้นมาหน่อยนึงอะไรเงี้ยค่ะบางทียิ้ไปยิ้มก็ไปดีบางทีก็ยิ้มก็จะคิดว่าเราพูดไม่ดีาอาจจะไม่กลัวก็ได้โอ้มันก็ต้องมี พูดให้ร็ย้ำเกลงให้เขรู้ว่านี่ซีเรียส น, นะไม่ใช่เรื่องเล่นอะไรนี้แต่ในใจเราไม่ไปโกรธเขาเราไม่ได้พูดหรือพับโกหกพูดเพะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องบอกเพื่อจะได้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือกับตัวเขาเองก็ได้ทำผิดบ่อยๆเขาก็อาจจะถูกออกก็ได้เจ้าค่ ะ, คะพูดไเเปเองด้วคนเจ้าค่ะขอบคุณจ้ค่ะแล้วก็ วันนี้หนูทํางานเนี่ยหนูอยู่ดีๆช่วงกลางวันหนูก็นั่งนึกมาคืองานมันเหมือนเป็นไซเคิลเลยค่ะมันทําแล้วไม่จบมานึกถึงคำพระอาจารยว่างานทั้งโลกเอ่องานทั้งโลกทำยังไงมันก็ไม่จบสู้ทั้งธทไมไม่ได้แต่ว่าหนูยังหนูยังแก้ไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะเพราะว่าหนึ่งคือภาระทั้งโลกแล้วก็เรื่องของภาระนีิสิมที่เราเคยเคยสร้างเอาไว้เนี่ยค่ะมันก็ยังไม่เสร็จพยายามปลดเพิ่มไปนี เตรียมตัวให้ก่อนมือนเตรียมเตรีมโล่มไว้เวลาถึงเวลาจะกระโดดเครื่องกีไ้มีกระโดดได้เลยถ้ายังไม่เตรีมโล่มเดี๋ยถึงเวลากระโดดก็กระโดดไม่ได้เว้นเตรียมตอนนีฝึกฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆก่อนอันนี้เท่าที่เราจะทําได้ดีกว่ะฝึกเตะึกสมาธิอะไรให้เก่งแล้วพอถึงเวลาก็ไปเลยไปปฏิบัติต่อได้ได้เจ้าค่ะหนูหนูน้อมนําไปปฏิบัติทุกครั้งเจ้าค่ะ โอเคตอนนี้นะจาธุบุญเกิดบัณฑิตนำได้ยินไหมได้ยินครับการนมัสการครับอาจารย์เพราะวันฮะก็อ่าก็ปฏิบัติอยู่ครับอาจารย์อย่างว่าวันอาทิตย์ที่ฟังรายการวิชัชนาได้ฟังประวัติของพระอาจารย์แล้วฝึกมีกําลังใจครับต้องขอบคุณขอบพระคุณอาจารย์ที่เมตตาเล่าให้ฟังด้วยครับอืม าก็นานๆมีคนถามพิธีก็ได้มีโอกาสได้พูดปกติก็ไมื่อเาหยาบนะพูดเรื่องของส่วนตัวอะไรเพราะอยจะกลายเป็นดาบสองคมคนก็อาจจะว่าชาบพูดแต่เรื่องตัวเองแต่ก็เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกครับยังก็ยังสงสัยว่าพระอาจารย์มาอยู่ที่วัดยานได้ยังไงอย่างเงี้ยก็ได้ครับฟังเมื่อวานอาทิตย์แล้วครับพระอาจารย์อืครับได้แล้วเออ ข้อถามว่าอาจารย์ได้ไหมครับแล้วน้องสาวพระอาจารย์ที่บอกว่าเกิดจากท้องเดียวกันแต่ก็ไม่เหมือนกันตอนนี้น้องสาวท่านก็ยังอยู่ใช่ไหมครับอยู่เขาก็อยู่ชใช้ชีวิตของเขางาอของเขางานใสายเขาก็คือมีครอบครัวปกติใช่ไหมครับเขาก็ไม่มีครอบครัวแต่เขาก็แบบว่าเขาก็อยู่แบบธรรมดาธรรมดานะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอะไรไปอย่างนี้ครับ เพราว่าที่บ้านปู่กับพี่น้องห้าคนก็ก็มีก็แตกต่างกันครับอาจารย์เอแต่เขาจะชวนกันแบบมาทําบุญทําอะไรเงี้ยครับนะครับอาจารย์อันนี้วันนี้ไม่มีคําถามครับอาจารย์ขอถ้าแข็งขอถ้าแข็งขอาจารย์แข็งแรงครับเดี๋ยวเราถามเรื่องที่วัดพุทธบาทตอนนี้คนที่รักษาโรคเหยี่ยนยังมีเยอะน้อยลงมีอยู่ครับอาจารย์ก็แต่น้อยลงเรายังเข้าเดือนรู่มากขึ้น เหมือนเหมือนยาดีขึ้นครับอาจารย์ก็เลยอยู่อายุยืนครับบางคนก็จะไี่มียา ก, กิ น, นใช่ยาต้านนี่กินทุกวันบางคนกินยี่สิบกว่าปีก็อายุก็ก็ปกติครับเพียงแต่ว่าถ้าวันไหนไม่กินเขาก็จะปูมมจะน้อยก็จะเป็นโรคคนคนที่ไปตายก็น้อยลงนที่วันเห็นี่ไม่ต้องมาใช่ใช<ป>่ครับอน้อยลงแต่ก็ยังมีแบบมาทิ้งก็ยังมีบ้างครับอาจารย์พวกที่ไม่ได้กินยาพวกที่ไม่มียา ไม่มีครับคือ<ช><ช>ได้หลวงพ่อท่านเขาก็ให้ยายาต้านทุกคนครับก็เป็นการกินเ อ, อย่างบางคนนี่คือคนที่เป็นน้องเป็นนักดนตรีหาจิตอาสาครับเป็นเด็กวัดนะครับ<ม>ก็อยู่ตั้งแต่สองเป็นตั้งแต่อยู่วัดตั้งแต่สองขวบครับก็กินยาต้านตอนนี้อายุยี่สิหกยี่สิบหกปีแล้วก็ยัง<ม><ม>ก็ยังอยู่ปกติเป็นปกติแข็งแรงครับใช่ใช่ครับคือดูภายนอกอาจจะไม่ค่อยรู้เลยครับคนที่มาป่วยแลนะพออาการนี้ขึ้นก็กลับไปบ้านก็มีไหม บางคนก็มีครอบครูเป็นเป็นโรค<ม>เขาเป็นเอกทั้งคู่เขาแต่งงานกันก็มีครับแ ต, แต่เขาก็กินาาายาต้านกันเขาสามารถไปกลับไปดําเนินชีวิตตามปกติเขาได้ใช่ได้ครับแต่บางคนก็ส่วนมากก็จะอยู่ที่นี่กันเลยครับพระอาจารย์เนีเ<ม>ยอะไหมที่บางที่โอ้ก็เป็นเมืองเลยครับพอาจารย์ที่ไป<อ>กรถิ่นมาคือแบบ ม, ไมีไม่ต่ำกว่าไม่ไม่ต่ำกว่าสองร้อยคนครับแบบเป็นแบบเป็นหลวงพ่ท่านเป็นเหมือนทําเป็นบ้าน รอบๆอวัดเลยครับท่านก็เลี้ยงคนอาาที่ท่านบินลำบากแั้นเองนะใช่ใช่ครับก็ก็จะมีแับไครเบริจากอะไรมาท่านก็จะมาช่วยคนหมดเลยครับแต่พวกนี้เขาไม่มีงานทำไม่มีอะไรมีมครับหลวงพ่อพระหลวงพ่อลงกฎท่านจะให้คนที่อยู่ที่วัดใช่ไหมครับไม่จะเป็นโลกหรือไม่เป็นโลกต้องมีหน้าที่ทุกคนครับต้องมีงานทำนะคั้งมีงานทําใช่ครับคือจะมานั่งนอนกินนั้นไม่ได้ครับออื แล้วก็ท่านมําครงกานในในในที่นะในที่ใช่ครับอย่างบางคนก็จะเป็นเหมือนเอ่อทำครัวทําอาอาพวกรงทานอย่างเงี้ยต้องมีหน้าที่ครับแล้วก็หลวงพ่อจะท่านหลวงพ่อท่านจะมีโครงการแบบทําแบบทําเป็นบ้านเหมือนน็อกดาวให้คนชรลามาอยู่ครับเออแต่คนชรลาที่มาอยู่ก็ต้องมาทํางานด้วยเหมือนกันครับทุกคนก็เป็นเคนที่ลงอาหารไม่ไม่ไมต้องใจไม่ต้องทำอาหารที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่เฉย ใช่ครับก็เป็นอยู่แล้วก็มีงานต้องมีหน้าที่อะไรก็อย่างนะทำครับนอกจากเป็นแบบคนที่ป่วยติดเตียงจริงๆคถึงจะเาถึงจะนอนนอนอยู่ที่เตียงได้ครับแล้วก็เป็นคนส่งอาหารไปให้กินได้ใช่ครับก็จะมีแบบคนที่เป็นก็ทําหน้าที่เป็นเจ้าที่ในวันครับเป็นคนเอาอาหารไปบางทีท่านก็จะมีเอาพวกไข่ต้มอะไรเงี้ยไปให้คนท้องที่อยู่ชุมชนใกล้ๆที่แบบยากไร้อ่ะาจารย์ พรุ่งนี้ท่านก็จะไปพิทุนโลกครับไปไปโปรดญาติอยู่ผมครับแต่ผมไม่ได้ไปนะครับเมื่อวันนี้เพราะ่อไปเจอท่านอยู่ก็ขาท่านยังแข็งแบบขาขวาท่านเคยอุบัติเหตุใช่ไหมครับเวลาท่านเดินเยอะๆท่านก็จะขาบวมครบเอกก็ผมก็จ ะ, ะค่อยแบบช่วยนวดขาข้างนั้นให้แบบมันคลายคลายตัวครับอาจารย์เอถ้าท<ห>่านไปรับบิดาบาลนี้ท่าไปลูกเดียวหรือว่ามีหลายลูกไปด้ยวยลูกเดียวครับลูกเดียวครับแต่เขาจะมีลูกฝึก แบ่งเวรกันครับเป็นนางคุณหมอบีนาถาบ้างเป็นทางคุณพี่บรรลังทางทีมเด็กวัดใจฟ้าบ้างนีคยก็จะแบ่งแบ่งกันไปครับที่วัดมีท่านรูปเหมือนอยู่ไหมมีไหมมีมีครับแต่ว่าเหมือนท่านก็จะให้ให้รับให้ทำใช่รับที่นันก็จะมีลิงเยอะด้วยครับก็ท่านก็จะทามีโครงการจะเอายางรถยนต์มาทำเป็นบ้านลิง ก็เลจะคือลิงมันเยอะแล้วมันไปลื้อพวกหลังคาโบสถ์อะไรเงี้ยกระเบื้องโยนมาเลเทีเหมือนกันครับทังจะเลยพยายามแบบเออเหมือนเราไปอยู่กับเขาเขาพยายามจะสร้างเมืองให้เขาอยู่ให้ที่เลี้ยงอะเหมือนจะทําให้แบบมีคนมาเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึง่งเลยครับอาจารยอันนี้อยู่ที่ลพบุรีใช่ไหมอ๋อ ผ, ผมผมปกติผมจะอยู่กรุงเทพครับผ ม, มจะไปตะวันตะวันอยู่ที่ไหน วัดอยู่ที่ลบบุรีใช่ครั บ, บท่านจ ะ, ะเพราะท่านจะไม่ว่าจะไปบิณฑบาต ท, ที่จังหวัดไหนหรือเคยไปออสเตรเลียท่านก็จะกลับวัดทุกทุกครั้งครับไม่เคยไปจํำวัดที่อื่นครับเพราะท่านบอกว่าเหมือนลูกศิษย์ท่านก็บางคนก็เป็นโรคเอชใช่ไหมครับท่านกลัวแบบจะมีปัญหากับอ่าคนที่ไปที่คนที่อให้อยู่อะไรเงี้ยท่านก็เลยแบบกลับทุกวันไม่ว่าจะ กับวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะไปอีกวันครท่านก็จะไปเดินทางนี้ทุกวันครับแต่ท่านก็ไม่ติดเชื้อท่านไม่ติดไม่ไม่ไม่ติดครับ<ม>ใช่ครับนะท่านก็แข็งแรงดีครับก็บกยุเวนแค่ขาข้างที่เคยอุบัติเหตุครับอาจารย์นั้นแล้วท่านก็ล่าสุดเมื่อทุกวันพุธท่านก็จะมีมาที่อ่าที่อนุสาวรีย์ชัยครับมานําสวดมนต์แล้วก็มีเทศนาธรรมครับที่อ่าอนุสาวรีย์ตอนห้าโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งครับ ผมเลิกงานเสร็จผมก็จะไปที่นั่นเป็นประจํำครับพระอาจก็ล่าสุดท่านก็จะมีโครงการเอ่อทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีรถบัสจากอ อ, อนุเคราะห์ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดสังฆทานครับพาคนที่มาฟังธรรมหรือตามหมู่บ้านต้องการไปปฏิบัติธรรมที่ลพบุรีสถานนะครับก็มาท่านก็จะไปรับไปสองวันหนึ่งคืนนะครับไปปฏิบัติธรรมที่ลพบุรีศรีสุวรรณภู ป, ประมาณนั้นนะครับพระาจา ท่านเริ่มทำโครงการแล้วแล้วก็มีเอ่เอาจะเดี๋ยวจะมีโครงการซื้อวัวนมครับก็ปีที่แล้วก็ซื้อไปร้อยตัวครับแต่ปีนี้ท่านก็จะซื้อร้อยตัวเพื่อแบบเอาไปที่ฟาร์มที่รบบุรีเหมือนกันครับก็จะเป็นฟาร์มที่แบบจะให้คนในวัดนะครับมาเลี้ยงวัวเอานมมาให้เด็กกำพร้าเด็กในวัดกินครับแล้วก็ทําไอสครีมขายให้สร้างงานให้คน คนที่นั่นนี่ยครับอาจารย์ก็ดีเหมือนกันเป็นอุตสาหกรรมย่อยขห้นมาใช่ครับเหมือนท่านจะมีโปรเจกต์เยอะด้วยครับอาจารย์โอเคใช่ครับอาธุครับพระอาจารย์ขอบคุณมากครับเพื่อจะได้ทราบข้อมูลบ้างยินดีครับอาจารย์ญาญยงก็ไม่เบื่อนะย่าญยงที่พังด้วยของไม่ว่านะยังก็ร่วมทําบุญได้ตลอดนะครับเพราะว่าได้ไปร่วมทําบุญด้วยกันครับในเรื่องใช่ให้ความบ้างครับ จะได้ไม่เบื่อเนี่ยมันแต่ทำมากตรวนจะเบืเอ่เอเ่าไปที่คุณธิสาวจากเอเอต่ออิสาเราทำมร ส, สการคะ่ะพระอาจารย์เป็นยังไงคะก็ปฏิบัติเหมือนเดิมคะ่ะพระอาจารย์แต่ว่าช่วงนี้ก็มีออกไปข้างต้องมีเหตุปัจจัยที่จะต้องออกไปพบปะผู้คนก็จะทำให้แบบการปฏิบัติมันก็จะ ยากขึ้นนะคะพระอาจารย์ไม่ค่อยก้าวหน้าก็คิดว่าเป็นการไปทำข้อสอบก็แล้วกันเวลาไปค่ะค่ะพระอาจารย์ทดสอบว่ากําลังของเรามีมากมีน้อยเท่าไหรอค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็เลูกเพิ่งอ่านหนังสือจบอะค่ะเล่มล่าสุดนะคะเป็นเป็นเป็นจากขัสุศใช่ค่ะดีค่ะลูกชอบมากเลยค่ะแต่ก่อนค่ะแต่ก่อนเคยอ่านในแบบ ดูพระไตรปิฎกอะไรมันไม่ไหวอ่ะยากมันเยอะมากใช่ค่ะแต่มันไม่เกี่ยวกับที่เราต้องต้องต้องรู้ก็เยอะๆใช่ค่ะต้องขอขอบคุณทีมงานที่ทําขึ้นมาลูกอ่านในอีบุ๊กอะค่ะอืมค่ะก็ดีค่ะมีแล้วก็มีพระอาจารย์สรุปแบบแต่ละพระสูตรด้วยอะค่ะชอบตรงเนี้ยค่ะสงสัยต้องไปอ่านอีกรอบอีกสักสองรอบค่ะชอบตรงสุดท้ายค่ะสติปทานสูตรอันสุดท้ายอะค่ะ ดีค่ะมันช่วยให้แบบค่ะอันนั้นคู่มือการปฏิบัติที่แท้จริงสติปัญญาอันนี้ใช่ไหมคะที่พระอาจารย์แบบทําให้พระอาจารย์อยากจะบวช น, นะคะใช่ยังกับวนเราใช้ศึกษาแล้วเรประสูเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยาวแค่สติก่อนเริอมต้นสติยังไม่ค่อยมีใบสมาธิตรงนี้ค่ะคือรายละเอียดบอกแต่ละขั้นเราต้องจะต้องเริ่มจากอะไรอะไรอะไรบ้างค่ะก็จะ เป็นกำลังใจเป็นกำลังในการปฏิบัติต่อไปอะคะ่ะพระอาจารย์ค่ะก็ไม่มีคําถามอะไรคะ่ะพระอาจารย์โอเคยังไปที่ท่านต่อไปเลยค่ะสาธุค่ะค่ะพระอาจารย์คุณมอสุทัเนลีจากวัทุธาลีนามสการท่านพระอ า, า, า, า, าจารย์เจ้ขขาค่ะอ๋อนี่ลูกสาวถามรู้อะไรเหรอ เขาอยากมากราบท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะท่านที้อยู่เช่นไหนแนละ้ว่เชนไรป .5 จะขึ้นป .6 เจ้าค่ะใกล้จะกล้จะสอบแล้วมันจะสอบนะตอนนี้กําลังจะสอบเจ้าค่ะใกล้จะนะดูหนังสือ เ, เยอะๆนะอย่าขอพรท่าขอเงินก็ไม่ได้นะอยู่ที่ตัวเราอัตตาฮิตันโนนาโธนะดูหนังสือ เ, เยอะนะทํามบบ้านเยอะ มีอะไรไหมไม่มีจังค่ะโอเคเอาไ้สอบได้ที่หนึ่งนะสอบได้ออขอบคุณค่ะไปที่คนแอมต่อแอมแอมอยู่ี่ไหครสวัสดีพระอาจารย์ค่ะได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนสวัสดีค่ะพระอาจารย์ก็เคยเข้ามาหลายครั้งแล้วค่ะแล้วก็ ฟังทำพระอาจารย์เรื่อยๆค่ะก็เ อ, อจะมาเรียนพระอาจารย์ว่าได้นั่งสมาธิเป็นครั้งแรกก็เพราะว่าคําสอนจากพระอาจารย์ค่ะเ อ, อหลายปีก่อนแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็นั่งสมาธิจนเออ่รู้สึกว่าน่าจะน่าจะจิตว่างแล้วน่าจะรวมจิตรวมจิตได้แต่ว่าพวกช่วงหลังๆก็มีภารกิจมากแต่สมาธิอ่ะเวลาเริ่มนั่งก็ใช้เวลาไม่นานก็รู้สึกว่าจิตจะสบายสบาย ทีนี้พอจิตแค่พอสบายก็ก็หยุดแล้วอะค่ะเลยไม่แน่ใจว่ายอย่างนี้มันจะพอไปได้คนคนจะทําทต่อคนดูลองต่อคนพูดโทต่อไปอย่างนัยู่ค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะออกมาแต่ถ้าเรากําหนดจิตอย่างเวลาที่นั่งฟังธรรมะหรืออะไรจิตมันก็จะเราก็จะรู้สึกว่าจิตมันสบายนะตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่ายังไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้รับความสบายจากจิตอยู่แต่ว่าก็รู้ว่ามันแค่เบาๆบางๆเท่านั้นเองค่ะ ใช่ S <S คือถ้านั่งมันจะมันจะสงบบ้างขึ้นค่ะแล้วทีนี้เ อ, ออยากจะสอบถามพระอาจารย์ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าแนวคิดนี้หนูคิดเองหรือเปล่าคือว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าเราเราเราตายไปเนี่ยโลกหลังความตายมันน่าจะแบบว่างๆมืดๆเหมือนที่เรานั่งสมาธิแล้วจิตว่างแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราถาพยายามทําจิตเราคุ้นเคยให้กับความว่าง น, นี่เราจะทําให้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไหมคะ ยังเราต้องต้องกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปให้ได้ก่อนถ้ายังอยากรูปเสียงกลิ่นตอนเดียวก็ยังต้องกลับมาเกิดเนี่ยยังอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มอะไรทําอยากเที่ยวอยากอะไรอย่างนี้ถ้ายังตัดสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ก็ยังต้องกลับมาเกิดอยู่ทีนี้อย่างอย่างเวลาที่หนูหนูก็พอน่าจะรวมจิตค่อนข้างง่ายทีนี้ในระหว่างระหว่างวันเนี้ยว่า ความรู้สึกเราว่าเรารวมจิตง่ายเนี่ยพอพอมันเริ่มว่างนิดนึงสบายๆแล้วก็ปล่อยแล้วเราก็เราก็แบบอาจจะไปหาอะไรทําเพราะว่าบางมันจะมีความเบื่อขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแบบเอ๊มันว่างแล้วมันก็เลยไปทําอย่างอื่นมันยังไม่ถึงจุดที่มันควรจะไปถ้ามันถึงจุดที่มันสงบเต็มที่แล้วมันไม่เบื่อมันจะชอบมันจะมีความสุขและยังยังต้องนั่งต่อไปยังนั่งได้แค่ แต่แค่ผิวมันนั้นนี้ไม่ไปถึงเนื้อมันต้องนั่งต่อไปนัมันจะทำจิตมันรวมนิ่งสงบแล้วก็อย่างบางทีค่ะก็พยายามนึกตุ๊กตาโจดว่าแบบเออถ้าเราตายขึ้นมาหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะกลัวตอนแรกก็รู้สึกกลัวตายพอนั่งดูแล้วอ๋อเรากลัวเจ็บมากกว่ากลัวแบบว่าถ้าเกิดเราเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรแบบบางทีจิตมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ไม่ยังไม่สามารถที่จะจะทําจิตให้คุ้นชินได้เลยค่ะพระอาจารย์ก็ต้องฝึกไงพยายามนั่งนานเวลามันเจ็บก็อย่าเพิ่งไปขยับนั่งกายปล่อยให้อนอยู่กับความเจ็บให้ได้ปล่อยให้ความเจ็บมันมันหายไปเองไม่ต้องไปทําให้มันหายทีนี้อย่างหนูก็คือมันเวลาเกิดกลัวกลัวกลัวเจ็บกลัวตายที่มาเนี่ย นี่หนูฟังทำพระอาจารย์พราจารย์บอกว่ามันเป็นแค่ชั่วคราวถ้าอย่างเงี้ยสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ปรับ ป, ประทันหันกับตัวเองขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราพิจารณาว่าทุกอย่างมันชั่วคราวแล้วแล้วเราจะถือว่าจิตเราโอเคไหมคะคือแล้วเราก็ปุ๊บไปเลยไีมก็อยู่ที่ว่าเราเราทุกข์แล้วไม่ทุกข์ถ้าทุกข์ไปอย่างไรโอเคต้องไม่ทุกข์ต้องเฉยเฉโอมันมันจะกลัวมากค่ะพระอาจารย์ค้าัวกถ้ากลัวก็ยังไม่ได้ต้องไม่มีความกลัวเลย หนูก็ไม่รู้ว่าจะฝึกได้หรือเปล่าค่ะพระอาจารย์อันนี้คือก็ต้องนั่งสมาธิให้ดึกเข้าไปานั่งแบบที่คุณพูดมาเนี่ยมันยังมั่นนั่งไม่พอน้องให้มันได้กว่านี้ให้นานกว่นนานี้ให้ดึกว่านี้คุณนั่งด้วยวิธีไหนนะถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปอภิษฐรย์ก็ต้องอภิษฐรย์ต่อไปอยีดูลมค่ะพระอาจารย์ดูก็ <ม Audio. S 2> ดูลมต่อไปอะกไไไ็ไม่ได้ท่อง อะไรมากก็คือก่อนจะนั่งก็แค่เออน่นโมตระ้วก็นิดหน่อยแล้วก็ไ ด, ได้ ไ, ได้เรท่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งหยุดยังดูลมได้ยังเห็นลมอยู่ต้องดูตอ่อไปค่ะไค่ะพระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอย<ด>ู่ท <ใน S 2> <จ>ี่บ้านอยูี่ไหตอนนี้อยู่ภูเก็ตค่ะภูะะเก็ตค่ะถูกค่ะค่ะถูกค่ะพระอาจารย์ค่ะที่คุณน้อยนัทวุฒตอบคุอ มีอะไรไหคุณหมออ๋อเข้ามากราบแล้วมาฟังธรรมครับแม่ก็ว่าไปว่างครับช่วงนี้ก็ที่พิงงดโอปีดช่วงเย็นไปครับก็เขามีเวลามากขึ้นก็มีคนใช้จัดมากก็มาบ่นว่าอยากกําลังตรวให้ไปช่วยตรวแต่ว่าก็เวลามาหาสติดี่ก็หาสตางค์นะครับใช่ครับอ่าสตางค์นี่มาก็มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ครับใช่ครับเอาเวลามาหาสติดี่ ก็ก็งานก็ยังเยอะแต่ว่าไม่ต้องไปเร่งงานมากครับก็ค่อยๆทำแล้วเราก็มีเวลาเรามากิึงครับไม่ไม่เครียดไม่ใช่ครับใช่ครับอย่างนี้บางทีรู้สึกต้องต้องต้องรีบรๆบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรรีบาีบรีบรีบรยบราบรีบรีบนีบรีบรีบรีบรีปรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรี ยังค่ะไอตัวเล็กยังวิ่งมไม่ไกี่ยังวิ่งมาอยู่เลยค่ะอืมไอผู้ชายค่ะเด็กผู้ชายค่ะผุดสังคค่ะแล้จะเข้ามาคุยแต่ใส่หูฟังจะจั๊ ก, กจีก็เล่นอย่างนั้นก็ <c oughs> เลยออกไปอ่อ <c oughs> ปะภาษาเด็กเขากา็อย่างนี้ค่ะหนูเออหนูหนูได้ทำเพิ่มขึ้นหนูไปรับลูกแล้วหนูก็ลูกเรียนโรงเรียนที่วัดหนูก็เลยนั่งเข้าไปนั่งสมาธิในอุโบสถอะค่ะใน ไปนั่งมาสองวันแล้วก็จะพยายามทําให้ได้ทุกวันจะได้นิ่งขึ้นค่ะอ่าไปฟังนั่งสมาย ท, ที่นั่งมากๆนั่งบ่อยๆนั่งจะมีเสถียรมีกำลังแต่วันเนี้ยนั่งมันมีแสงสีมัวๆอันนี้ไม่ต้องสนใจใช่ไหยครับไม่ต้องสนใจให้เราพูดโทต่อไปถ้าเราใช้พุโทโธถ้าดูลงก็ดูลงไปหนูใช้<ม>พุโทโธค่ะอ่าแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาหลอกเราอยู่เรื่อยๆมันเป็นของ ของปลอมนะของที่ไม่มีความสำคัญอะไรไม่เอาไปสนใจค่ะมันมันมีจิตที่ว่าเออมันอยากไปทำอยากไปนั่งอยากมันเหมือนมันมีสุขใจที่ได้ไปทำค่ะใถ้าความอยากแบบนี้ดีไม่ไม่เป็นเลยนะค่ะเดี๋ยวไปใส่บาตรค่ะเดียวไปทำบ่อยๆค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวไปใส่บาทรเป็นพระค่ะโอเคค่ะคุณกาแล็กซี่โเก้าอยู่ที่ไหน ครับสวัสดีครับพระอาจารย์อยู่กรุงเทพครับอะไร ม, มีอะไรไหมอ๋อจะถามถึงเกี่ยวกับพระอริยบุคคลไหน่ะครับท่านพระอาจารย์ว่า อ, อสมมุติท่านที่เป็นพระโสดาบันหรือพระศกิจทาคามีแล้วครับผมแล้วมันจะเ อ, อความเป็นพระนั้นเนี่ยจะเลื่อนเลื่อนขึ้นอย่างเดียวถูกไหมครับท่านจะเลื่อนไปมันไม่ลงต่ำนะ แต่สวดามันแล้วมันก็จะไม่กลับมาเป็นปุถุชนนะมันจะขึ้นมาเป็นสกิดาค่ะขึ้นไปเป็นอ น, นาคาแล้วเป็นผ้าตามลําดับต่อไปเหมือนเดินขึ้นบันได<อ>ไม่เดินขึ้นจะไม่ไปเดินลงอ๋อครับคราวนี้อยากสอบถามเกี่ยวกับสภาวะธรรมนิดหนึ่งนะครับท่านอาพอดีเมื่อผมก็ปฏิบัติมาประมาณเรื่อยๆนะครับท่านแต่ประมาณ start อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเออมันเหมือนมีสิ่งใดอยู่บนศีรษะข้างซ้ายของผมนะครับเคลื่อนไหวลื่อน้องไปสนใจนไม่ต้องไปสนใจมันเป็ น, นเหมันเป็นภาพนวงภาพหลอกไม่มีความสัมพันธ์อะไรอีกแล้วมันเป็นตายรักไปเป็นอนิจจเกิดนับดับไปอนัตานตาเราไปบางค่ำมันไม่ได้แม้แต่เราเปิดตาอยู่ก็ไม่เป็นไร ตอนนาี้มันก็หายไปแล้วไม่ใช่ตอนนี้ก็เป็นอยู่ครับท่านเป็นก็ปอดมันเป็นไปแล้วอ่ะอ๋อไม่ต้องไปยืนออกมามันก็หูเราเนี่ยหูมันแล้วก็มีหูก็ปอดนเป็นเขาไปเลตามีก็มีผมก็มีก็ปัดนเป็นไปตามเงื่องมันครับเพราะผมมองไม่แน่ใจว่ามันเป็นโรคหรือเปล่าหรือว่าเป็นถ้าเสงสัยก็ไปหาหมอดูถ้าเป็น <c oughs> โรคทางร่างกายก็ไปหาหมอหนึ่ง แต่ถ้าเปนทาจิตใจก็ไม่ต้องไปทำอะไรครับผมโอเคนะได้ครับผมับขอบพระคุณครับอคไปที่คุณพัฒนาพรกับเรียวเรียวตอนนี้ปิดเทอมาล้มรดกการครับไม่ปิดเทอมครับบอดีกลับมาบ้านเพราะว่ามาทำประชาชุมใหม่อ่วาวอบคุณมับ การเจ้าข้าหลวงพ่อไม่ใจกันานานเลยนะะปังอยู่ด้านนอกตลอดเจ้าข้าหลวงพ่อเจ้าขาอยู่กับความว่างเปล่าแล้วก็เงียบสงบเจ้าขาสงบจริงหร่าสงบเจ้าข้าในมันเหมือนมันไม่วุ่นวายไปกับคนรอบข้างแนละ้วไม่เจ้าข้มันปล่อยวางได้ออไม่อยากจะยุ่งอะไรกับใครอะไรทั้งนั้นเลยเจ้าข้าหลวงพ่อ แล้วก็ไม่อยากได้ยินได้ฟังเรื่องโปรเจกต์อะไรของสามีแล้วก็อยู่ในรถแล้วก็ปกติลูกก็จะเงียบไม่พูดอะไรแล้วก็คาพูดหลวงพอ่อเจ้าค่ะมันขึ้นมาในหัวว่าเอออาไปมั่งก็ได้นะเวลาก็พูดอะไรก <Okay. S 1> <laughs> ็อึ้งไปแล้วก็แล้วก็ยิ้มเจ้าค่ะยิ้มคํา <laughs> ว่าคำพูดหลวงพอ่อมันเข้ามาอยู่ในหัวใจแล้วก็อื้งอื้งเจ้าค่ะ ให้เขาเรียว่าเรารับฟังเขาเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าพูดกับตุ๊กตาเจ้าค่ะก็ว่ารู้ก่อนวันนั้นป้าหลวงพ่อเหมือนบอกเหมือนจะบอกกับลูกเลยว่าอือออาบังนะเวลากลับพูดอะไร น, นิ่งอย่างเดียวแต่ตใจเราไม่ต้องไปมีอารมณ์อะครับถึงที้เขาพูดไปเขาพูดไปเจ้าค่งพอ่อเจ้าค่ะ ย, ยังอยู่ด้วยกันอยูอย่มันต้องมีปฏิสัมพันธ์กันนะนี่ครับเจ้าค่ะหลงพ่อ เพราะว่าเราก็ก็ยอมแล้วเพราะเราชอบปีกนิเวศอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ค่ะเวลา ไ, ไม่ได้ปีกก <c oughs> ็อยา่าไปอยากปีกเพราะมันจะทําให้เราทุกข์เจ้าค่ะหลวงพ่อตอนนี้ ก, ก, ก็ก็พยายามเข้าใจแล้วก็อ่าอย่างวันนี้เจ๊ค่ะวันนี้จริงๆลูกก็ได้แค่สินเจ็ดเพราะว่ามันมีเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปส่งเดี๋ยวสนามปีนก็เหมือนต้องทานรันด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ค่ะบางทีเรา ถ้ามีพอดบ้างพอดสั้นพอดยาวตามใจกันไม่เป็นไรเจ้าค่ะบางทีก็ต้องหันไปมองหน้าเ้านิดนึงว่าวันนี้จะอดอาหารเย็นก็ดูเข้านิดนึงว่าโอเคไหมถ้าไม่โอเคก็นั่งร่วมนิดนึงอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่เขาดูเขาไอ้นี่ก็อมวันนี้วันนี้พุทธาเดย์เจ้าค่ะเขาก็เข้าใจนะครับ้าค่ะเพราะว่าช่วงนี้ลีโอไม่อยู่ก็มันเหมือนอยู่สองคนเราก็เลยต้องใช่ไหมเจ้าค่ ปกติทะลุไม่ทานเขาก็ยังทานก็ต้องเมตตาเขาบ้าต้องเมตตาเขาอยู่ด้วยกันก็ต้องมีความเมตตาให้ความสุขแล้วเขายิ่งเขาไม่อยากจะอยู่กับเราแล้วอยู่กับเราแล้วเขทุกนี้เขาก็ไม่อยากมีอยู่แล้วใชคก็พยายามเพราะว่านอนก็นอนคนลชั้นเขานอนอยู่ชั้นบนลูกก็นอนห้องชั้นล่างแล้วมันมันพยายามแต่จะเข้าแบบเหมือนจะเข้าวัดอย่างเดียวจะมีวัดส่วนตัวจำค่ะ กล่บหลงคอด้วยความคเคารพจังคเวลาหมดพอดีเดี๋ยวไปท <Yeah. S 2> <thi> ี่คุณมุลลาคุลลามีคำถามเท่าไหร่มากมามาีทั้งหมดเก้าคำถามจากทาง Facebook และ Youtube ค่ะถามาถมาเลยคำ<ข>ถามแรกจากคุณลัศสมีทัศกราบพระอาจารย์ค่ะเวลานั่งสมาธิกายนิ่งสงบไม่มีอาการใดๆแต่จิตยังฟุ้งไม่สงบ ภาวนาก็แล้วนึกถึงอสุภะต่างๆก็แล้วจิตก็ยังฟุง้งควรทําเช่นไรคะกราบน้ำมัศการคะ่ะก็ลุกขึ้นมาเดินจกมกองแทงหน่อยนะสติไร้มีกําลังน้อยลุกขนมาเดินแล้วก็ไม่ให้มีสติอยู่อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปฝึกสติสร้างสติขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปนั่งใหม่ถ้านั่งเฉยๆไม่มีสติมันก็ฟุง้งนั่งแล้วต้องพุโทโธแล้วดูลมหายใจให้ได้ คำถามต่อไปจากคุณกลางปราบเรียนถามคะ่ะหนูไปปฏิบัติธรรมช่วงวันหยุดยาวห้าวันซึ่งปกติหนูไปเกือบทุกเดือนอยู่แล้วจึงมีความรู้สึกผิดที่ต้องทิ้งสามีไปในช่วงวันที่ควรจะอยู่บ้านพร้อมหน้ากับครอบครัวควรคิดอย่างไรดีคะถ้ารู้สึกว่าผิดก็อย่าไปเลยไปอยู่ทคำถามต่อไปจากคุณ NSKR กราบนมัสการพระอาจารย์และสวัสดีทีมงานคะ่ะรบกวนสอบถามการผ่าตัดที่มีการดมยาสลบไม่ทราบว่าจิตเราไปอยู่ที่ไหนคะขอบคุณคะ่ะจิตมันก็อยู่ที่เดามันอยู่ในเล้าทิศมันไม่มันไม่มได้อยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วเพียงแต่มันขาดการติดต่อรับวิญญาณที่มารับรู้รสีงกลิ่น้สต่างมันถูกล่ำไปดมยาสลบล่บไป มันก็ตอนนั <c> ้น <oughs> มันก็ต อ, ท น, อ, น, <c oughs> อนที่เรานอนหลับตอนที่เรานอนหลับจิตเราก็ไม่มารับรู้รูปเสียงกลินรถที่เข้ามาทางตาจะหเป็นกครอีกคือยู่ที่เดิมใ น, ในลกที่คำถามต่อไปจากคุณวาสนาน้อมกราบขอคําชี้ทางออกจากทุก์ที่เกิดในใจให้หายขาดครับกราบสาธุครับก็ค้หนหาเหตุสภความทุกข์ให้ได้พระเจ้าบอก แต่ของความทุกข์ก็คือเก่อจากความอยากต่างๆของเราอยากได้แล้วไม่ได้ตามใจอยากก็ทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็เปลี่ยนใจซะอย่าไปอยากเช่นอยากได้แฟนแล้วแฟนเขาไม่ออาเราเปลี่ยนใจไม่เอาก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้มันก็จะไม่ทุกข์คำถาม ต, ต่อไปจากคุณชอวิจิตการกุลฟังจากหลายคําสอนตอนเองก็บวชมาหกเดือนในพรรษา แต่ยังสงสัยครับว่าข้อที่หนึ่งสวดมนต์ข้อที่สองทำบุญใส่บาตรข้อที่สามนั่งสมาธิมีหลายอาจารย์บอกว่านั่งสมาธิได้บุญที่สุดสงสัยครับว่าเพราะอะไรเพราะเหมือนคนอยู่เฉยๆครับเพราะว่ามันจิตรันมีความสุขมากขึ้นการทำบุญใส่บาตรได้ความสุขกก น, ส น, ส น, น้อยกว่าการนั่งสมาธิ ตอน จ, จ็บยังสงบความสงบยิ่งมีมากขึ้นคำถามต่อไปจากคุณพันธิวาเห็นพระอาจารย์ค่อยคอยปลูกต้นไม้ธรรมะภายในใจของลูกศิษย์ถ้ามีลูกศิษย์บางคนฟังแล้วเห็นภายในวัฏฏสงสารแล้วหาทางออกบวชปฏิบัติบางคนต้องรอให้กเกษียณอายุก่อนอันนี้ขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของแต่ละคนไหมครับ ก็ขึ้นอยู่กับกำลังนะกำลังว่าเขาจะไปได้ไม่ได้เหมือนไหว้น้ำข้ามฟากเนี่ยบางคนถ้ากาลังยังไม่มากก็ไม่กล้าลงน้ำไว้บางคนถ้าเขาคิดว่าเขาตุองมีกำลังมากเขาก็กลงไหว้ไปคำถามต่อไปจากคุณเป้าเรียนถามโ <c oughs> ยมไปบวชเป็นแม่ชีแบบไม่ศึกที่วัดยานได้หรือไม่เจ้าคะ วัดใหญ่ก็ไม่ได้ให้อยู่นานเกินเจดวันให้อยู่แค่เป็นชั่วคร้างชั่วคราว่านี้น อ, อยู่ประจำไม่ได้ไม่มีที่อยู่คำถามต่อไปจากคุณโดรากรับเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลานอนหลับมักได้ยินเสียงกลนของตัวเองทำให้นอนหลับไม่สนิทบางคืนสติดีก็กำหนดรู้ทัน บางคืนสติอ่อนก็รู้สึกรําคาญอย่างนี้ควรแก้ไขอย่างไรดีเจ้าคะก็เราไปาควบคุมมังครับว่าการกลอไม่ได้แล้วก็เราปล่อยมันไปมันจะกลอนก็ไม่กลอนก็เล่ามูนไปอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปอยากให้มันไม่กลอแล้วมันจะทําให้เราเครียดนอนไม่หลับมันจะกลอนก็ปล่อยมันกลนไปคําถามสุดท้ายจากน้องหลินหลินพระอาจารย์เจ้าคะ ตอนนอนปัจจุบันเหมือนตอนโดนยาสลบรับไม่รู้ตัวเลยเจ้าคะ่ะถึงแม้มียุงกัดก็ไม่รู้ว่าคันตื่นมาถึงรู้ตัวถึงคันเจ้าคะ่ะแต่ก่อนยุงกัดก็รู้ตัวอันนี้คือเราทิ้งร่างกายตอนหลับใช่ไหมเจ้าคะก็ไม่ได้ทิ้งหลับจร ง, งแต่เราไ ม, ไม่ไปรับรู้เรื่องของร่างกายไม่มีสติไปรับรู้เรื่องของร่างกายทั้งทั้งหมดว่า มเวลาพอดีแต่ลรคืนนี้ก็ขอให้ท่านลงนำาอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในรยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ